อาจารย์ครับการนศอราชการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้วิสัชนาธ ร, รรมครั้งที่หนึ่งร้อยสองนะครับวันนี้ผมตั้งชื่อหัวข้อหยุดความคิดครับทําอย่างไรเพื่ออะไรนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนเขารายการผมขอโอกาสถามอาจารย์วันนี้อาจารย์นนรบินารรัดคนเยอะไหมครับผมก็ประมาณสามร้อยนไม่ค่มากวันนี้วันนี้ธรรมดานนนนประมาณสามร้อย สองกว่าครับสาร้อยครับผมบปกติปกติครับคนฟังธรรมที่น่ากูดก่อนนี้ก็ร้อยกว่าคนนะครับอาจารย์ผมดูตัวเลขเแล้วร้อยเศไม่มากอาจจะเนื่องจากเทศกาลสงการหยุดตอนนีมาห้าวันที ก, กันแล้วช่วงเช้ชที่นี้ก็เลยเงียบแล้วหน่อยอิ่มบุญไปหมดแล้วป่ะครับอาจารย์เล่นน้ำไม่ราบเล่นน้เลย ครับอาจารย์ครับวันนี้พระอาจารย์บอกเรื่อยๆว่าให้หยุดความคิดให้ได้ครับอาจารย์ผมก็เลยอยากขอโอกาสพระอาจารย์ว่าหยุดความคิดเนี่ยอดียังไงจะทําอย่างไรแล้วทําไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับขอความเมตตาครับผมคือการหยุดความคิดได้เนี่ครัคือจะทําให้จิตสงบจิตนิ่งแล้วจะเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขแล้วกับความสุขทั้งบวง <c oughs> ที่พวกเราวิ่งหาความสุขกันนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขในตัวเราเองเราไม่รู้วิธีเข้าหาความสุขที่มีอยู่ในตัวที่เป็นความสุขที่ดีกว่าเราเลยถูกความหลงคือวิชาความไม่รู้ความจริงนมาวิชาเลยคิดว่าความสุขอยู่ที่ภายนอกใจก็เลยสังใใจคิดไปเนี่ย ไปหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากโลกเสียงกินรอดต่าๆ แ, แล้วก็ต้องไปเจอกับความทุกข์เพราะว่าราบยศสารเสริญ ส, สุขนี้มันเป็นความสุขแบบไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็สูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็จะทําให้เกิดความทุกข์ นั่ก็เป็นความสุขที่ไม่มีความอิ่มความพอได่เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นก็จะพาให้สัตว์โลกที่อยู่กับารวิ่นวายตายเกิดไปเรื่อยๆเพราะเมือตาจากโลกนี้ไปความอยากที่จะหาความสุขจากรามโยนสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ยังมีอยู่ในใจก็จะพาให้ไปอาร่างกายอะไรปนเกิด์หม แล้วก็มาหาความสุขอย่างแรกก็สกเสื่อมเสื่อสุขใหม่และผู้ที่สั่งให้ไปหาความสุขก็คือความคิดนี่ถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่เราก็จะทําอะไรไม่ได้การที่เราทําอะไรได้ไปไหนมาไหนได้เราต้องคิดก่อนอย่างคุณหมอจะไปออสเตรเลียคุณหมอต้องคิดล่องหนไปก่อนอถึงเวลานั้นเวลานั้นจะไปทําอะไรคิดเนี่ยความคิดบางแผน แต่ความคิดขอคุณหมอนี้มันถูกอวิชาหนึ่งไปให้คิดไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรดทางตามูจมูกกายพราะคุณหมอยังไม่ได้เข้าถึงความสุขที่มีอยู่ในใจที่เป็นความสุขที่เหนือวกว่าที่ดีวกว่าก็เลยต้องไปหาความสุขาาสสจากน้ามยศรเสิร์ชจากรลบเสียงกลิ่นดรดเอาเป็นความสุขที่สามารถหากันได้ในใน ในความสามารถของผูุ้ชนทั่วๆไปพอที่จะหาได้แต่แม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วกาวแต่แม้ว่าจะมีความทุกข์พลนมาเรื่อย ก, ก็อย่างน้อยมันก็ก็ยังดีกว่าไม่มีความสุขเลยเช่นเหมนใ น, ในช่วงที่มีรัอกดาวไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้มันก็เเกิดความหงุดหงิดเกิดความนองคาญใจ ก็ความอยากอยากที่จะออกไปหาความสุขอยากที่จะไปหาราบยศเสสน์หนังที่เคยทําอยู่เป็นประจำถูกถูกเบรดลงอย่างกระทันหันไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนก็นในช่วงนั้นก็เลยมีความรู้สึกเงบเย็ญญตนต่าใจไม่ค่อยมีความสุขกันแต่ก็ไม่กล้าออกไปเพราะเพราะผลที่จะไปจากการออกไปมันมันได้แรงกว่าผลที่ต้องอยู่บ้าน ถ้าอะไรจำจำเป็นต้องยอมอันนี้ก็เลยทํำให้อยู่บ้านด้วยความทุกข์ทรมาเพราะความคิดอยางคิดอยู่คิดจนอยากจะออกไปหาคนนั้นหาคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่ถ้าสําหรับคนที่เคยฝึกสมาธิเคยฝึกสติเคยควบคุมความคิคคดแล้วพอจะเข้าสมาธิในนั่งสมาธิได้คนเหล่านี้ก็จะไม่เดือดรอนเพราะว่าเขาสามารถหยุดความคิดหยุดความอยาก เพราะความคิดมันเป็นตัวนำความอยากถ้าเราไม่มีความคิดมันก็จะอยากขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่น้วเราก็จะเกิดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรไม่ได้เราต้องคิดถึงความสุขที่เราจะได้จากรูปเสียงกลิ่นร่อพอเราคิดแล้วความอยากก็ตามมาเราเกิดความอยากแล้วความทุกข์ก็ตามมาเพราะว่ามันจะทำให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้ ใจจะเริ่มดิ่นลอนแล้วใจจะเริ่มกระวนกระวายใจจะต้องไปหาสิ่งที่ความอยากต้องการถ้าอยากไปหาลูกมสียงเงินแล้วก็ต้องไปถ้าอยากหาราบแลก็ต้องไปช่วงนี้ก็มีการเลือกตั้งก็อยากจะได้ยอดกัรก็ออกไปหาเสียงกันทุกวันทุกวันถ้าเกิดมีโควิดขึ้นมาพวก่งนี้แล้วมีการให้รับดาวยุยติการหาเสียงนี้ พวกที่หาเสียงนี่จะจะเป็นยังไงบ้างออกไปไม่ได้ต้องขึ้นรนหาวิธีหาเสียงแบบออนไลน์กันแล้วสิอันนี้ก็คือเรื่องของความคิดไงความคิดมันต้องคิดก่อนแล้วถึงจะพูดได้ทําได้ก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราคิดก่อนพูดก่อนแล้วก่อนที่เราจะอยากอะไรได้เราก็ต้องคิดก่อนคิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้คิดแล้วก็อยาก คิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปเจอเขาคิดถึงถึงนั่นก็อยากจะได้อะไรทั้งเราเนี่ยความคิดมันเป็นตัวนำความอยากทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวคือการหยุดความคิดด้วยสตินี้มันจะหยุดได้เป็นพักๆมันไม่สามารถหยุดได้อย่างเท้าบอดใ น, นช่วงที่ไม่มีความคิดช่วงนั้นใจก็สงบมีความสุขแล้วก็ เพราะความอยากไม่ได้ทํางานไม่มีโอกาสได้ทํางานโดยที่ทําให้ใจไม่สงบก็คือความอยากพอคิดแล้วแล้วเกิดความอยากขึ้นมาใจก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความไม่มีความเกิดไม่มีความสุขในตัวเองงการหยุดความคิดนี้จะเป็นเป็นเรื่องสําคัญเพื่อที่จะได้ให้ใจได้พบกับความสุขที่มีในตัวเอง ไม่ต้องไปดล้นรนไปหาความสุขจากภายนอกใจอันนี้เป็นประการหน้าของการหยุดความคิดเพื่อ ใ, ใจได้สมาธิได้อเุเบกาได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นนั่งติสันติบาังสุขังเป็นคาสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งพวกจากนี้ไม่ใช่เป็นเพียงสาเหตุเดียวสาเอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ถ้าเราสามารถอยู่ความคิดได้เราก็สามารถสั่งใจให้คิดไปในทางที่เราต้องการให้คิดได้ถ้าเราหยุดความสาั่งหยุดความคิดไม่ได้เราจะสั่งให้มันไปคิดไปอีกทางนึงทางที่มันไม่เคยคิดไม่ได้เกือส่วนใหญ่ยังไม่เคยคิดไปทางไตรลักไม่เคยคิดไปทางองริยสัจ ส, สี่เจะคิดแต่ไปแทนหาราบยศสรรเสริญสุข เพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วเราได้มาศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราคิดไปทางอริยาาสัจสีคิดไปในทางไตรลักษณที่เราเรียกว่าพิจารณาทางปัญญาเนี่ยการพิจารณาก็คือใช้ความคิดเนี่ยนะคิดคิดถึงอริยสัจสีว่าทุกข์ใจเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากการจะดับความทุกข์ใจได้นี้ต้องเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เราเห็นไตรลักนั่นเอง เป็นสิ่งต่างๆที่เป็นเป็นขอไม่เที่ยงเมืม่องไม่เที่ยง ม, มันก็จะทําให้เราทุกเวลาที่มันเปลี่ยนไปเรื่อมดไปมันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะสามารถสั่งไม่ใจขึ้นได้นั่นก็นอกจากอนินจนจาความไม่เทีย่ยงความไม่เที่ยง ม, มั น, มนงบรวมไปถึงความไม่เที่ยงของร่างกายด้วยร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ร่างกายก็จะต้องเป็นเป็นสร้างศพร่างกายไม่สวยไม่งามแล้วก็สัตว์มันคิดเข้าไปดูภาภายใต้ผิวหนังได้ให้มันไปศึกษาค้นคว้าความจริงของร่างกายว่าภายใต้ผิวหนัง ม, มันมีอะไรบ้างเราไม่สนใจกันบ้างเลยนะเราอยู่เกิดมาอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดสนใจแต่แพทยผิวหนังแลนะ้วทุกคนดูแต่หน้าดูแต่ผิวหนังดูแต่เสิวดูแต่ฝ้า แต่ไม่เคยคิเลยว่าใต้ผิวหนังมีอะไรบ้างมีเนื้อมีเอ็นนะมีกระดูกเนี่ยผิวหน้าเราเนี่ยภายใต้เื้อเอ็นกระดูกไปใต้เนื้อเอ็ไไ น, นออก็มีกระโหลกีรษะใช่ไหมแต่ไม่มีการคิดไม่เคยเมองกันมันก็เลยอมองไม่เห็นส่วนที่ไม่ น, น่าดูของร่างกายมันก็เลยทำให้หลงรักร่างกายกันทําให้เกิดการอยากจะเสพการกับร่างกายของผู้ร่วมเพศกันแล้วก็ทําให้ต้องไปมี ก็ต้องไปหาคู่มาครองการไปหาคู่มาครองก็ค่อนข้างที่จะหวาดเสียวอาจะได้มาสักคนนี่ก็มันบางทีก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมต้องตามจีบกันตามงม้องกันตามอะไกันต้องสมควรแล้วถ้าเกิดเขาไม่ไม่ตอบสนองความต้องการเราก็เสียใจก็ได้ทีบรรยากาศความทุกข์ใจถ้าได้มาก็ในใจแต่ก็ต้องหลองหมวงมาหวงเขาอีก เรอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆพอเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ทําให้เราเศร้าเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราช่วงเขาอาจจะมีทุนละไปที่อื่นเราต้องอยู่คนเดียวช่วงนั้นเราก็จะรู้สึกเหงาแต่ถ้าเราสามารถสอนใจให้มองไปดูอาการสารพิษของร่างกายให้ได้ให้เห็นภายใต้ผิวหนังว่ามีอะไรบ้างมันก็จะทําให้เราระงับความกามาลงได้อยความอยากเสพกาม เกิดมาจากการไปมองร่างกายในส่วนที่สวยงามพอเราให้มันไ่มองไปคิดในส่วนที่ไม่สวยงามมันก็ระงับความอยากที่จะเสพการ์ดเสร่วมเพศได้มันก็จะทาให้ไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกว่าเมเวเวลาอยู่คนเดียวอันนี้ก็คือเรื่องของความคิดที่เราสามารถป็นอรกมาคิดในทางที่จะทาให้เราตัดความอยาก ตอบความทุกต่างๆที่กิดจากความอยากได้หมดแต่ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้เราจะทําไม่ได้อาจจะทําได้เป็นเพียงแค่สองสามวินาทนีแล้วเดี๋ยวมันก็ปั๊บเดี๋ยวมันก็ถูกความกิเลสดึงไปแล้วนถูกความอยากดึงไปให้ไปคิดทำน้ำน้ำยศ ส, สารเสริญไปคิดทำรูปเสียงจิตเราอยู่เรื่อยๆอันนี้คือปัญหาของความคิด เราคิดเนี่ยเป็นตัวที่พาให้ใจเกิดความอยากขึ้นมาหรือไม่อยากแล้วแต่เราจะคิดไปในทางไหนถ้าคิดไปในทางตายลกคิดไปในทางอสุภะคิดไปในทางประฏิคูวันนี้มีคนมาถามเรื่องว่าทําไงไม่ให้แก้ปัญหาเรื่องหิวอาหารเรื่องความติดอยากจะกินรับประทานอาหารก็ต้องคิดคิดถึงอาหารที่มันไม่ น, น่าดูหน่อยแทนไปคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในจาน ให้คิดถึงอาหาที่อยู่ในปากที่เคี้ยวที่ถูกบดด้วยฟันแล้วก็ผสมด้วยน้ําลายถ้าเราข่ายออกมานี่เราจะตัดมันกลับเข้าไปกินใหม่ได้ไหมทั้งที่อยู่ขนาดอยู่ในป่ากแล้วกำลังมันเละอร่อยแต่พอออกมาเห็นหน้าตามันแล้วมันถ้าจะถ้าจะกินก็ต้องบังคับจริงๆถึงีะเกิดก็ทั้งทีนี้ตัดกลับเข้าไปใหม่ได้ เราใช้เห็ดพ่นเสาทำกวนเราเมื่อกี้มันอยู่ในปากเราก็เคี้วยวได้แล้วเีราเราก็กินได้ทำไมพอมันออกมานอกป่ากแล้วเราเราจะเอากลับเข้าไปในปากไม่ได้เนี่ยนั่นแหะความหลงมันแรงขนาดนั้นแนะการที่จะคิดเรื่องราวเหล่านี้ท่านนี้มันต้องสามารถหยุดความคิดได้ก่อนเหมือนกับเวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าเราไปผิดทางเราจะยูเทอร์นี่เราต้องหยุดรถก่อน แล้วเราก็าเลี้ยวอยู่เทินเราถึงจะไปอีกทางหนึ่งได้เห็ในใจเราตอนนี้ไปทางกิเลสหมดเลยคิดไปในทางกิเลสหมดถ้าเราอยากจะยูเทินกลับมาให้มันมาคิดทางทางตายลักษทางอริยสัจสีนี้เราก็ต้องหยุดขาวาคิดให้ได้ก่อนพอหยุดความคิดแล้วเราก็อยู่เทินได้นะอย่าไปทา ง, ทงนั้นนั่นอย่าไปทางอนิจจังสุขขังอันนิจจังนิจจังสุขขังอัตตา ไปในทางนิจจ์อนิจจ์ทุกข์ขังอนัตตาเนี่ยนี่คือปัญหาเรื่องของความคิดมันคิดไปในทางนิจจ์สุขขังอัตตาที่เป็นความความความไม่จริงมันเป็นความเท็จความเป็นความหลอกเอาจุกโมหะหลอกให้เรามองเห็นสุขมองเห็นทุกข์เป็นสุขมองเห็นสิทธงที่เป็นอนิจจ์เป็นนิจจ์เห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัต์เราก็เลย อยากอยากได้พออยากได้มาแล้วเอาความจริงปรากฏแทนี้จะเป็นนิจจามันก็เป็นอนิจจามพอมาเกิดอนิจจามสุขังก็กายเป็นทุกขังไปเพราะมันเป็นอนัตตาเป็นขอที่เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่ไม่ได้อันนี้คือเรื่องของความคิดความคิดเนี่จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็ได้พาให้เราออกจากสังสารวัฏให้ไปพัฒนิพันธ์ก็อยู่ที่ความคิดอย่างนี้ แต่จะทําได้ก็ต้องหยุดหยุดความคิดให้ได้ก่ต้องมีสมาธิก่อนต้อมีสมาธิแล้วมันก็จะหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางสังสารวัฏได้แล้วก็สามารถสั่งให้มันคิดไปในทางนิพพานทางทา ง, ทางตายรักทางอนิจจทุกฐานวรตตาทางอสุภังค์ทางปฏิปุณเป็นที่เป็นปฏิปูล อาจารย์ครับแล้วตอนนี้คําถามว่าทําอย่างไรถึงจะหยุดได้นะครับอาจารย์ครับก็ใช้สติไงใช้ใช้ความคิดอีกอย่างมังหยุดมันไงมันคิดมัเจอบคิดเรื่อยเปแล้วก็ให้มันคิดแต่คำคำที่มันเป็นคำกลาการที่ไม่มีไม่ไม่ไม่ทำให้เกิดกิเลขึ้นมาก็เช่นพุทโธพุทโธก็ได้มันจะคิดอนิจจังก็ได้ถ้าท่องอนิจจังทุกคั้งอนัตตาได้ทั้งวันมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ เพราความคิดมันจะคิดได้ทีละเรื่องใช่ไหมคุณหมอกําลังทํางานอยู่เนี่ยคุณหมอถ้าคิดอยู่กับเรื่องงานถ้าจะให้หมอไปคิดเรื่องธรรมะมันก็มันก็ทํางานไม่ได้ครับเราก็ต้องพยายามเบี่ยงเบนความคิดพลิกความคิดจากการคิดไปในทางทางกิเลสให้มันมาคิดทางทางที่เป็นปัญญาก็ได้มันก็จะหยุดความคิดได้ในระดับหนึ่งคือมันป้องกันไม่ให้คิดไปในทาง ทางทากิเลสแล้วพอเราหยุดความคิดทางกิเลสได้เราก็หยุดความคิดทางปัญญาไดาา้เพอเราสั่งให้มันหยุดได้แล้วพอเราเป็นคนสั่งให้มันคิดเองทำให้มันคิดอนิจจังทุกข์ขรตาพอความคิดทางกิเลสมันหยุดคิดแล้วก็หยุดเราก็หยุดอนิจจังทุกข์ขราคตาไม่ได้วก็ดูลมเฉยๆดูลมเฉยๆเพ่งเพื่อให้ใจไม่ต้องคิดอะไรให้ลู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวพอใจไม่คิดอะไรมันก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมา อยงที่ที่สอนอยู่เรื่อยๆฝึกสติไว้ก่อนก่อนที่เราจะมาทําสมาธิทําจิตให้หยุดคิดได้เต็มร้อยเราต้องพยายามทับบีบเบนความคิดที่ไม่ดีไม่ให้มันไม่ให้ใจเราคิดไปในทางกิเลสด้วยการให้เราคิดทางพุโทโธพุโทโธหรือให้คิดไปทางอสุภคณา ก, การทางที่สองก็ได้อะไรทาเรานี้แต่กําลังของเราที่จะคิดทางนี้มันน้อยคิดได้สักกี่กี่นาทีกัน แลก็ไปแล้วมันนุ่งคิดทั้งวันเน่ะมันนุ่งคิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนักปฏิบัติที่เขาปฏิบัติกันเนีที่เขาพยายามพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธทั้งวันทั้งคืนแล้วต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่ไม่มีใครมามามามาดึงใจให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลวงปู่มั่นไปอยู่ในภาพทุดงหลวงปู่มั่นถ้าไปอยู่ในป่าเชียงใหมคนเดียวเนี่ยไปพุทโธพุทโธ ชาวป่าช า, าวเขาเห็นท่านเดินโยกคนพุทธาหลวปู่หาอะไรหลปู่บอกหาพุโทโธพุธโทโธมันเป็นยังไงผมพวกผมช่วยหาให้ได้ไหมบอกได้ทำยังไงละ่ะก็ให้ต้องพุโทโธพุธโทโธไปแล้วก็เดินไปพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวว่าเจอเองท่านก็สอนอุบายสอนคนป่าเป็นโตัวสอนให้เจริญสติโดยที่เขาไม่รู้และไม่ต้องมาที่บายก็ฝากให้ยุ่งยากสอนคนที่ไม่ฉลาดนี่สอนง่ายกว่าคนฉลาด สอนคุณฉลาดจะถามว่าทําพุดโธแล้วได้อะไรไม่ใจอาจารยนครับมี อ, อผมเคยฟังมามีบางบบางบางงคําสอนบอกว่าความคิดเนี่ยหยุดไม่ได้อย่างนี้ไม่จริงใช่ไหมครับความคิดนี่ยหยุดได้แน่นอนคือได้เป็นพักๆอย่างนัน ไ, ได้หยุดแบบถาวรเวลาเข้าสมาธิเวลาเข้าฌานก็หยุดนะแต่ไม่ได้หยุดอย่างทั้งวัดทั้งคืนตลอดย 24, ี่บสี่ชั่วโมงหยุดไม่ได้ แต่เราไม่ต้องการขนาดนั้นเราต้องการให้มันหยุดแล้วพอมันออกมาจากสมาธิพอมันจะเริ่มคิดไปในทางเดิมเราทีนี้เรามีกําลังเด่ง ม, มันมาคิดไปในทางใหม่แล้ะคิดไปใน <POW. S 1> ทางมากคิดไปในทางสมาธิติสมาสังกปองครับผมตอนนี้ความที่ของพวกเรามันไปทางมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปองไม่ใช่สัมมาคิด <Yeah. S 1> ผิดคิดไปแต่เรื่องหลารลาบลดสารเสริญสุขกันเนี้ยนะทุกวันเนี้ยคิดแต่เรื่องนี้กันเท่านนัะ้ ไป ก, กินที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดี่ไปอันนี้นี่มันหยุดจะไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินอะไรดีไปงานไหนดีอะมันไม่แต่เรื่องของการใช่มั้ยการมาหลดถ้าไม่การมาหลดก็เริ่มการหาเงินมาใช้เพื่อที่จะไไปเที่ยวมันธรรมดาก็คิดไปหากันที่ไหนดีหาเงินได้ที่ไหนได้มากเท่าไหร่ก็คิดแต่เรื่องหาเงินมาพวกเรามีเงินแล้วก็อยากจะได้ตําแหน่งก็ไปห so cool. าเสียงกันนะครับ บางคนา็อยากจะได้รางวัลพวกดาราพวกที่มีทำงานเยอยากมีผลดีเดนี่ยอยากจะได้รางวัลกันเข้าไปชิงรางวัลกันเมื่อคิอยู่แค่นี้คนส่วนใหญ่ประตุชนไม่ได้คิดก่วัอะไรคิดกันเรื่องาลาบยศสรรเสริญสุขมีคำถามจากเพื่อนท่านหนึ่งนสนใจครับอาจารย์บอกว่าถ้าให้หยุดความคิดเวลาทำงานต้องใช้ความคิดทำยังไงครับก็เป็นคนละเรื่องไง เวลาคุณทํางานก็ใช้คุณก็ใช้ความคิดไงที่จะงานหยุดความคิ่นี้หมายถึงเวลาคุณไม่ทํางานคุณหยุดงานคุณไปบวชอย่างเงี้ยบอกไมพูดเนี่ยแต่คุณคุณไม่เข้าใจเมืางคนระระนะระระระระดับกันระดับของการถึงสมาธินี้มันต้องเป็นพวกหน้าที่ของนัก บ, บวชไม่ใช่หน้าที่ของผู้คลองเรือนผู้คองเรือ น, น, อนก็ทําได้เฉพาะช่วงที่เป็นวันหยุดทํางานเช่นวัน อหยุดทำ ง, งานก็ไปอยู่วัดไปถือศีลแปลดไปภาวนาสักวันสองวันอันนี้เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการไปฝูกซ้อนถ้าเป็นนั่งตีกอล์ฟก็เป็นนั่งตีกอล์ฟมือสมักเล่นไปก่อนแต่ถ้าเพื่อนพวกมืออาชีพนี้เขาไม่ทำงานอย่างอื่นใช่ไหมเป็นพวกอาชีพที่เขาแข่งก็ระอยาเอารางวัลเนี่ยเขาทำงานหนะ้างานของเขาคือการงานไปตีกอล์ฟใช่ไหมทุกวันเขาจะไปฝึกตีกอล์ฟที่สนามแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน กำลังผู้ที่ต้องการสมาธิต้องการหยุดความคิดต้องการมากผลมิพานเขาก็ไปบวชกันแล้วเขก็ไปปฏิบัติเพราะมีหน้าที่อย่างเดียวเบือ้องต้นก็คือหยุดความคิดตั้งนั้เติดขึ้นมาจนหลับแต่ถ้าเป็นเป็นผู้ที่ยังมีงานทําอยู่ก็ทําไม่ได้ถึงถึงคนชนนี้น่ะทำงานแล้วมาบวชอย่างนั่งสมาธินั่ ง, ง, งแล้วก็หลับกนั่งแล้วก็ฟุ้งว่า เพราะมันไม่มีสติมันไม่มีกําลังที่จะหยุดความคิดก็ปล่ยให้ความคิดคิดไปในทางใดทางหนึ่งคิดไปในทางฟุ้งซ่านก็นมีคิดไปในทางหลับก็มีเข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับดี๋่พูดในคำพูดระดับของท่าบวชแต่นคนฟังคนฟังมันเป็นแต่เบดรสมัครเล่นทั้งนั้ น, นแต่และาพูดในระดับเบอร์อาชีพมันก็เลยพูดกันคนละภาษากันเข้าใจไหมต้องเข้าใจ แต่ถ้าเราไม่พูดระดับของมืออาชีพมัน ก, มนก็มันก็ไม่เต็มร้อยเคนที่เขาจะปฏิบัติตามก็อาจจะเขาก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยถ้าเราบอกเออเอาแค่มันเอาแค่วันละครึ่งชั่วโมงก็มา ก, ก่อนนอนหรือตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิหยุดความคิดแค่ครึ่ชั่วโมงอย่างนี้มันก็ได้นิดเดียวอ่ะนะครับถ้าอยากจะได้เต็มร้อยมันต้องทำทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับครับผม ทานขอขอภัยได้เ<ข>ท<อ>่านผู<ขอ>นน้ฟังถ้าไม่เข้าใจส่วนใหญ่เราจะพูดในระดับของนักบวชทั้งนั้นเนื้อของการปฏิบัติ<ขอ>นะี้ครับอาจารย์ครับแต่คนที่ฟังผมดูชื่อคุณคุณน่าจะฟังมานานแล้วครับหลายๆคนเลยครับน่าจะได้ประโยชน์กับคนหมู่มากอยู่ครับอาจารย์ครับคื<ข>อในสำหรับระดับมืออาชีพพวกที่ต้องการที่จะใช้การปฏิบัติธรรมนี้เป็นอาชีพต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกด้วยการปฏิบัติธรรม ขอการถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับคุณมาลีบอกว่าพระอาจารย์เจ้าค่าสมัยนี้ยังมีการใช้ผ้าขาวห่อศพไหมครับก็มีพวกกู้ภัยไงลว ก, กู้ภัยเวลาเข้าไปเก็บศพเข า, ข า, าก็เอาผ้าผ้าขาวไปไปมัดใช่ไหมเคยเห็นไหยลงเวลาเลือดลุ่มกตัญญูแล้วปอเต็มๆเวลากิดอุบัติเหตุเนี่ยคนตายมักจะเห็นก็มีผ้าขาวไงปนะีน้เรไม่มีไม่มีพระชักผ้าแบบนี้กันท่านสมัย เพราะว่ามันเป็นเหมือนแว่าเป็นเหมือนประเพณีนี้ถูกเลดเงินไปแล้วมันเป็นองในทุ่งดอกขาวการใช้ผ้าบัพสกุลสมัยก่อนพระต้องไปเก็บผ้ามาเองแล้วต้องมาตัดเย็บเองมาสร้างปย้อมเองทำทุกอย่างเองหมดสมัยนี้มันเป็นพุทธพาณิชย์ซะละมีบ ร, ริษัทมีร้านค้าที่เขารับผลิตผ้าจีวรให้กับให้กับพระสงฆ์เจ้าญาติก็สะดวกไปซื้อมาแล้วก็ไปถวายพระได้เลยเชุดไปเลย ถ้าสมัยนี้ก็เลยไม่รู้จักผ้าลักสกุลว่าเป็นอย่างไรนอกจากถ้าไปอยู่กับผ้าป่าสายลุงปู่ม่านเยังพอจะได้ยินได้ฟังแต่ก็ไม่เห็นล้วอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีแต่ผ้าขาวแต่ผ้าขาวที่ไม่ได้ห่อศพสังเกตดูถ้าไนยุืนั้นการมัดป่าในเวลาเขาถ่ายถอยผ้าก็จะถอยผ้าขาวเป็นมัดๆกันเลยเป็นผ้าพับยจะไม่ได้ถอายผ้าเป็นแบบผ้าไก่แบบสําเร็จรูป เพราะธรรมเนียมของภาคป่านีน่ท่านยังมีย ม, มาาเอาผ้าขาวนี่มาตัดยิบเป็นจีวอร์ย่แล้วสับยอมกันเองคุณจุราวันครับคนที่พิการทางสมองแต่กำเนิดจะสะสมบุญได้อย่างไรคะครครคก็คงไม่ได้นะก็เหมือนกับคนที่มาเกิดเป็นเดรัจฉานี้ระดับสติปัญญามันไม่พอที่จะเข้าใจหลักทำคำสอนได้ คนวัดของคนก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาที่มาเกิดแล้วไม่ไม่สมประกอบหุนหยกตาบอดอย่างนี้ก็จะลำบากต่อการศึกษาธรรมะคําสอยของพุทธเจ้าครับคุณมาลินีถามว่าคาราวาต้องปฏิบัติอะไรบ้างเพื่อความหลุพผลครับก็เหมือนกับกเหมือนกับพระเขต้องปฏิบัติทานศีลพรนะหรือศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นคาราวาก็เพิ่มทานเข้าไป ปฏิบัติทายแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติภาวนาก็มีสองระดับสมาธิและปัญญาก็เหมือนกันเพีแต่ว่าความเข้มข้นมันต่างกันนั่นเองถ้าเป็นพระปฏิบัติท่านก็ท่้นกะทุ่มเวลาทั้งทั้งร้อยให้กับการปฏิบัติส่ ว, าาวานคารวะก็ต้องแ บ, บ่งเวลาที่ที่มีเวลาว่างมาปฏิบัติกขาจะมีเวลาน้อยปฏิบัติได้เฉพาะช่วงวันหยุดทาํางาน พลววาวาตบางคนเขามีความจําเป็นต้องทำงานพอวันหยุดเขาก็ไปวัดกันก็ไปเข้าวัดไปอยู่คืนสองคืนนี่ยังดีกว่าไม่ได้ไปเลยเขาที่งนี่คุณมณีนุน์ครับบอกว่าขณะนั่งสมาธิถ้าเปิดธรรมะฟังไปด้วยพอจิตนิ่งจะได้ยินเสียงธรรมชัดเจนมากแต่พอออกจากสมาธิทำไมถึงจําอะไรไม่ได้เลยคะก็เราไม่ได้ฟังด้วยด้วยการพิจารณาใครคนี่ย เราฟังเสียงชิ่ยหญแล้วก็ปล่อยให้เสียงนี้ปลอบใจเราให้สงบแต่ถ้าเราพิจารณาเราเกิดความเข้าใจพอ เ, เข้าใจแล้วเราจะจําได้สิ่งไหนที่เราเข้าใจเราจะจําได้สิ่งไหนที่เราร้องอ๋ออ๋อมันจะแสดงว่าเราเข้าใจแล้วมันก็จะยึดเราก็จะจําได้แตสิ่งไหนที่เราไม่เข้าใจมันก็จะลืมไปคุณแคทครับ เดี๋ยนี้ทางวัดให้โอนเงินเข้าไว้เป็นค่าพัตนาหารเป็นสังฆทานเลี้ยงพระโอนทุกวันแล้วเราจะโอนโดยการทําแทนตักบาตได้บุญเหมือนกันไหมครับเหมือนกันัจากคุณพันทิพย์ครับบอกว่าตอนอยู่ต่างจังหวัดเคยฆ่าปลาและเคยบ้างที่ตีสัตว์เลี้ยงจะแก้กรรมอย่างไรเจ้าคะ่ะคิดย้อนหลังยังเสียใจอยู่เจ้าค่ะคือกรรมที่เราทําไปแล้วเราแก้ไม่ได้ลบล้างไม่ได้แต่เราสามารถสร้างบุญมาเพื่อมาต้าน กระแสของของกรรมที่เราทําได้อคือถ้าบุญเรานี่มีกําลังมากกว่าบาปที่เราทําบาป ท, ที่เราทํอย่างมันจะไม่สามารถส่งผลให้กับเราได้เวลาที่เราตายไปบุญมันจะมีกําลังมากาบาปบุญมันจะส่งผลก่อนเน้พยายามสร้างบุญให้เยอะทำบุญให้เอะแพยายามอย่าเพิ่มอย่าบาปเพิ่มขึ้นอีพยายามทําให้บุญมันมีกําลังมากกว่าบาปแล้วเวลาตายไป เรื่องแมนขนาดที่เรามีชีวิตอยู่บุญมันจะมีมันจะแสดงผลมากกว่าบาปมันจะทําให้เรามีความรู้สึกมีความสุขใจเวลาตายไปบุญก็จะทําให้เราไปสวรรค์ก่อนยังไม่ต้องไปรับผลทางทางบาปจะรับผลทางบาปก็ต่อเมื่อ บ, บุญเราน้อยกว่าบาปตอนนั้นบาปถึงจะออกแสดงผลขึ้นมาได้ คุณสมพรครับการที่คนเราห้ามความคิดน้นนี้นั่นไม่ค่อยจะได้เพราะว่าพวกเรามีสมาธิอ่อนกําลังโยมเข้าใจถูกไหมครับมีสติอ่อนกําลังสมาธิยังไม่มีหรอกสมาธิจะมีได้ก็ต้องมีสติก่อนสมาธิก็คือชานแต่ทางทางโลกก็ใช้คําสมาธิแทนสติเนี่ยบางที่คุยกับทางโลกเลยคุยกันสับสนก็ตรงเนี้ยไอ้สองคเนี่ยคํานึงก็คือสติคำก็คือสมาธิ ทากจะใช้คําว่าสติแทใช้สมาธิแทนคําว่าสตินะแต่ความจริงแล้วสมาธินี้เป็นสิ่งที่ทางโลมทํำอยู่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเลยแต่ใช้กันแบบเหมือนกับได้สัมผัมสมาคําว่าสมาธิหมายถึงฌานรูปฌานและลรูปฌานนี่เป็นสมาธิแต่พวกเราสติเนี่ยเวลาเราบอกไม่มีสมาธิการทํางานหมายถึงเราไม่มีสติอยู่กับงานทำทำงาน ใจเราไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้เรียกว่าไม่มีสติควบคุมใจก็อยู่การทํางานไม่ใช่สมาธิแอ่ท้งโลกเราใช้คําสมาธิแทนสติเนี่ยแสดงทำกี่ครั้งกี่ขนก็ไม่เข้าใจไม่อรือต้องให้สองคำนี้แหละครับตอนนี้คุณเข้าใจหรือยังอ๋อผมเข้าใจเข้าใจประจันนาแล้วครับคําว่าสมาธินี่ ย, าย่าโยงยังไม่เคยเจอถ้ายังไม่เคยเข้าฌานยังไม่เคยได้อัปปนาสมาธินี่ยังไม่ได้มีคําว่าสมาธิ จะไม่มีสมาธิไอทท้ที่คาว่าสมาธิที่ญาตโยมใช้กันนี่มันคือสติสติมันอ่อยกําลังไม่สามารถบังคับใจให้จดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เป็นจดจ่ออยู่กับพุโทโธก็จดจ่ออยู่กับงานที่เราต้องทำอยู่เพื่อให้เราหยุดความคิดห้ามความคิดขอให้ทําความเข้าใจนะั้นเรื่องคำวมา คำว่านั่งสมาธิก็ควรจะเปลี่ยนเป็นว่านั่งฝึกสติอย่างนี้ดีกว่าครับครับอาจารย์มันก็ไม่ผิดนะสมาธิ <c oughs> ก็นั่งเพื่อให้ใจสงบเพื่อจะได้เป็นสมาธิครับในแต่ว่าการจะนั่งทําให้ใจเป็นสมาธิได้ต้องใช้ใช้สติเป็นตัวนำอานาปนสตินะมานนสติกรรมฐานสี่สิบที่เป็นสติเท่านั้นนะครับกรรมฐานคืออารมณ์หรื อ, ค, อคือสติอารมณ์ที่เราจะใช้ในการทําให้จิต เข้าสมาธิได้ถ้าพูดถึงสมาธิเราต้องพูดแต่อปปนาสมาธิและคณิกาสมาธิหรืออุปจารสมาธิอันนั้นหลักถึงจะเป็นสมาธิมีแค่สามอย่างนี้แต่ยังอื่นเราสัญญาจะหายถึงสติกันตอนนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลยี่อันนี้ไม่ใช่สมาธิเรียกไม่มีสติครับอาจารย์เคยบอกว่าสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล ใช่ครับคุณสมบูรณ์อันนี้ผมอ่านคำถามไม่ค่อยเข้าใจครับอาจารย์บอกว่ามารเกิดจากทั้งพ่อและลูกทำไงดีครับพ่อสกเสียลูกเกาะให้ที่ต้องการไปดูพอด่อจะช่วยอะไรได้ไหมครับอยาเล่นมาไหมดีกว่ามาอันที่ปายแต่ความหมายจากพี่สมพรครับคิดตามกิเลสตัวเองเฉพาะ ยิ่งการราคะต้องใช้ธรรมะข้อใดมาห้ามเบรกความคิดครับก็ต้องใช้อสุพันธ์ลองดูส่วนที่ไม่สวยงามที่น่าเปลียดของร่างกายซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ภายภายใต้ความหนักเช่นโครงกระดูกเนี่ยคนเราพอเห็นโครงกระดูกนี่กลัวกันเลยใช่ไหยไม่วิ่งไม่วิ่เข้าหาแลวิ่งหนีเลยใช่ไหมถ้าเกิดไปเจอ่ยวในที่เพื่อเจอโครงกระดูกเดินมานี่ทำไงไม่เข้าใกล้เลยนย แต่คนาีจริงทุกคนุกคนที่เราทุกคนที่เดินนะเราก็มีโครงกระดูกเช่นั้นใช่ไหมแต่เราไม่เห็นกันเท่านั้นเองเพราะถูกหนังหุ้มห่ออยู่น้ํากับเ <iemand> <art> นะ aya, general, sal han, afraid, <add> die, them, ื้อมัน <hib> ห <sh> ุ Said, ้มห่ออยู่แต่คนที่เราวิ่งเข้าหาลงที่คนที่เราไปก่อนด้วยนี่มันเป็นเราไปกอดโครงกระดูกแท้แต่เราไม่รู้กันแล้วก็เราตัวเราเองร่างกายเราเองก็เป็นโครงกระดูกเหมือนกันอยู่กับโครงกระดูกมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้เลยว่าร่างกายเราตัวเรานี่มีโครงกระดูก อ ย, อยู่กับตัวเราเองมีตับไตไสู้มิมีปอดตับหัวใจมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะเราไม่ศึกษากันเราไม่เรียนรู้อนานา t ตมีของร่างกายเราคนสมายนี้เลยหลงไหลกับร่างกายถ่ายเซลฟี่กันเป็นบ้าเป็นบอยหมดโอ้ฉันสวยฉันงามฉันเราเร า, เราศึกษาไนอานาโตมี่ของตัวเองข้างในมันมีอะไรบ้าง นุ่มนี่งถูกความหนุนี่มันหลอกจนกระทั่งมองไม่เห็นนสุทธันเลยคุณชยาดาครับเวลาที่เราทําบุญอุทิศถึงญาติพี่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าญาติของเราได้พบอยู่ในภพภูมิที่สามารถรับส่วนบุญที่เราได้ทําอุทิศให้ไปเจ้าค่ะและทําบุญด้วยวิธีใดญาติผู้เสียชีวิตจริงจะได้บุญมากที่สุดครับเราไม่รู้หรอกว่าเราไม่มียาญอย่างทราบถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทํา ถ้าเราไม่มีอุปจารสมาธิมันจะไม่มีความสามารถที่จะรู้ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิ ญ, ญญาณว่าเขาไปที่ไหนบ้างอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ทําไปตามความเชื่อนะเชื่อว่าคนตายไปเป็นดวงวิญญาณถ้าเขาไม่มีบุญเขาก็เขาก็จะรอรับสมบุญแต่ถ้าเขามีบุญแล้วเขาก็ไปสู่ทบที่เขาไปที่บุญส่งเข้าไปก็คือไปเป็นเทพเป็ น, ปนไปสวรรค์เขาก็ไม่ต้องเขาก็ไม่ต้องมารับบุญที่เราส่งไป แต่โดยธรรมเนียมแล้วเราก็ทําเผื่อไว้ก็แล้วกัน ว, ว่าเราไม่มียาอยางสร้างเราก็ยังอยากจะให้เขาได้รับบุญถ้าถ้าเกิดเขาขาดบุญเขาก็จะได้รับบุญถ้าเราส่งไปให้เขาแต่ถ้าเขามีบุญนั้นเราก็ไม่ต้องกำบุญเขาก็ไปเขาก็อาสายบุญขเขาพาเขาไปได้พาเขาไปสู่สวรรค์ได้มีคําถามบอกว่าเราทําด้วยวิธีใดครับอาจารย์ครับเรื่องหลุดที่บุญนี้ก็ทําได้อ ย, าย่างเดียวว่คือทําบุญทําทา น, น้ยบริจาคเงินให้รับ องคอ์กรต่างๆก็ได้ให้วัดก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้ให้ถ่ายก็ได้ทำไปครับคุณพรพิมลครับขออนุญาตกลาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตัวเรามีธรรมะฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีบางครั้งเกิดการขัดแย้งในการกระทําทําให้ชีวิตต้องผิดพลาดไปหบอกษตรเดายพบพระอาจารย์ช้าไปครับก็ความที่ชาวเราเนี่ยบางทีคิดเป็นทางที่ดีบางทีก็คิดเป็นทางไม่ที่ทำที่ไม่ดี บาทีก็ถกเถียงกันจะไปขโมยนั่นก็ดีรือไหมมีคนก็ให้เราไปทําผิดกฎหมายแต่เราจะได้เงินทําเนี่ยบางทีต้ํางนั่งคิดนอนคิดหลายหลายชั่วโมงก่อจะตัดสินใจเนี่ยความที่สองฝ่ายันสู้กันฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีฝ่ายผิดศีลกับฝ่ายถูกฝ่ายรักษาศีลก็ต้องมาสู้กันคุณหลินรายงานบอกว่าความฝันหนูหาย ความคิดความอยากลดลงนอนเหลือสี่ถึงห้าชั่วโมงก็นอนอิ่มผลจากฟังธรรมะของพระอาจารย์ครับครัุกท่ขอให้สุขภาพดีเป็นประธานลมหับนะวันนี้ก็ผ่าตัดมาหลายคนเนี่ยใช่ค่ะคุณวีนาครับหากคนเราหยุดความคิดในความอยากในกิเลสแต่ยังมีโทสะอยู่จะทําอย่างไรคะแปลว่าคนนั้นยังเจริญสตินั่งสมาธิไม่เข้าถึงญาณพอออกจากสมาธิกิเลสก็เข้ามาครอบงาอีกใช่ไหมครับ คือความอยากถ้าหยุดความคิดในกิเลสได้มันก็จะหยุดโธสารได้เพราะโท่สารมันเกิดจากความอยากถ้าเราไม่ได้อยากได้เราจะไม่โกรธใครใช่ที่เราโกรธเขาเพราะเราอยากได้อะไรจากเขาแล้วเขาไม่ให้เราล้วก็เลยโกรธเขามาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราสามารถหยุดความความอยากได้ได้นานเท่าไหร่เองถ้าใช้สติเนี่ยก็หยุดได้เป็นพักๆ ถ้า อ, อยากจะใช้ท่าอนอยากจะหยุดอยากถาวรก็ต้องใช้ปัญญา ค, คุณพิสิทธ์ครับผู้หญิงที่แย่งสามีคนอื่นเข้ามาหรือเป็นภรรยา น, น้อยผู้ชายภายหลังชีวิตจะตกต่ำลูกที่เกิดมาไม่ได้ดังใจเป็นคนไม่ค่อยจะดีหรือทําความเดือดร้อนมาให้แม่ถือว่าเป็นผลจากวิบากกรรมจากการผิดศีลหรือไม่ครับอันนี้เราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่แน่ใจนะเพราะเราไม่เราทราบว่ามันก็เป็น เรื่องการผิดศีลข้อสามนี่มันเป็นพฤติกรรมเหมือนกับของสัตว์เดรัจฉานมากกว่าคนที่ทําผิดศีลข้อนี้มักจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานกันเพราะพวกสัตว์เดรัจฉานนี่เขาจะไม่มีครอบครัวใช่มอะไรอย่างนีไม่มีสามีภรรยาขเขาก็จะเสพไม่ว่าจะเจอใครที่ไหนเขาเมื่อเขาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเขาเสพได้เขาก็จะเสพขึ้นมาทันที แต่ส่วนเรื่องผลทอยได้จากคนอย่างนี้ไม่ทราบเป็นจริงหรือไม่ยังไงไม่ทราบเรา่ิดว่าไม่เกี่ยวกันกรรมใครกรรมมันมากกว่ากรรมของพ่อแม่กับเป็นเรื่องของพ่อแม่กรรมของลูกกับเป็นเรื่องของกรรมของลูกมันไม่เกี่ยวกันครับคุณแคทครับบุญกิยาวัตถุสิทธิ์บุญที่ได้มากที่สุดคือบุญที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นบุญมากกว่าการทาทานรักษาศีลและภาวนาหรือเจ้าคะและความหมายของบุญข้อนี้ทําไมถึงเป็นบุญที่มาก เจ้าค่ะก็มันเป็น <halfway> มันเป็นตัวปัญญาเ ป, เป็นตัวที่จะสอนใจให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าเห็นว่าร่างกายใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันร่างกายตายแ ต, แต่ใจนี้ไม่ตายใจนี้จะเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปแล้วใจนี้จะไปเวีย ed, นว่ายตายเกิดหรือจะไปนิพพานก็นอยู่ที่ อยู่ที่ตัวใจนี่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายจะไปก็อยู่ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อก็อยู่ที่ความอยากถ้าอยากจะไปนิพพานมันก็อยู่ที่การหยุดความอยากต่างๆได้อันนี้เป็นความเห็นที่จะทาให้ไปสู่การกระทําต่อไปเมื่อจะทำก็อย่อาบังต้องไม่ใช่เห็นแล้วไปถึงได้เลยแต่เห็นแล้วแต่ยังมีความความอยากที่ยามมีเงินมีทองอยู่มันก็จะไปไม่ได้ เหล่ามันก็ต้องปฏิบัติตามความเห็นให้ได้คือก็ต้องไปละละทุกอย่างไปหมดละลาบลศ เ, เสริเสริมละรูกศีลกินลดมีทรัพย์สมบัติเข้าของเือนทองก็ทำบุญทำทานไปให้หมดไปบวชอย่างนี้มันตามมาทีหลังให้การเห็นที่เป็นจริงนี่มันเป็นเป็นเหมือนตัวนําอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นตัวตัวนําทางถ้าคนนําทางรู้ทางก็พาเราไปทางที่ ที่ดีไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการถ้าคนทนำทางหลงเขาก็จะพาเราหลงทางถ้ามีวิชาทิฏฐิ ก, ก็ก็เป็นความหลงมีความเห็นผิดก็จะพาเราไปเวีนว่ายตาเกิดค <c oughs> ถ้ามีความเห็นถูกมันก็จะพาเราไปนิพพานแต่การจะพาเราไปนิพพานมันก็ต้องบอกให้เราทำอะไรต่อมันก็บอกว่าต้องสละราช ส, สมบัติอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ <c oughs> ต้องสละอาสมบัติแล้วก็ไปรักษาศีล แล้วก็ไปภาวนาไปไปไ ป, ไปเจริญสติสมาธิแล้วก็ไปเจริญปัญญาที่ถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่ได้หมายความว่าพอมีความเห็นนี้ถูกต้องแล้วบรรลุทำได้ทันทีทันใดก็ไม่แน่นะถ้าเกิดเรามีความสามารถทำตามที่เราเห็นได้คือตัดทุกอย่างได้ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เราก็ไปได้ก็ไปถึงนิพพานได้ทันทีไม่สักแต่ว่ารู้ เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่มีความโล่งความโกรธความหลงกับสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสรับรู้ก็ไปได้คุณัญญาีครับเรียนถามค่ะอาจารย์ครับมีกลุกสโลบายอย่างไรจึงจะหยุดความคิดมากเจ้าคะ่ะถึงแม้จะไม่คิดร้ายกับใครแต่คิดกังวลเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นครับก็จะ น, นําวิธีง่ายที่สพยายามทำพุทธพุทโทัวพุทธทไปเรื่อยๆ เวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานทาการอะไรอยากปล่อยให้คิดเรื่อยเปล่อยอย่าไปคิดวิาพากษ์วิจารณ์ตอนนั้นนนี้อย่าไปเพ้อฝันอยากจะได้น่นอยากอยากจะเป็นน่นอยากจะเป็นนี่อยากจะไป น, นั่นอยากจะมานี่หยุดการคิดเหล่านี้ในการใช้พุโทโธพุโทโธไปคุณโซฟาโซกูดครับดูลมเข้าพร้อมพุทลมออกพร้อมโทขณะทำไปเรื่อยๆมีแสงสว่างขึ้นเหมือนคนเร่งไฟและรู้สึกตัว มากขึ้นเหมือนเหยียบคันเร่งส ต, ติมากขึ้นเกือบหนึ่งนาทีแล้วค่อยลงมาระดับเดิมที่พบคืออะไรครับมันก็เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัตินะมันก็เป็นของที่มันไม่ใช่เป็นของสําคัญอะไรเพราะผลที่เราต้องการจริงๆก็คือการการที่ใจเราหยุดคิดหยุดคิดแล้วจิตรวมเสน็จ น, นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาถ้ า, ายังไม่ไปถึงจุดนั้นก็ทําไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งมันจะทำให้เราหลงทางได้ทำให้เทาเสียไม่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเราหยุดถ้าเราหยุดดูลมถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับแสงสวา่างที่ปรากฏขึ้นมาล้วอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรอย่างนี้เราก็จะติดอยู่ตรงนั้นเราก็จะไปต่อไม่ได้อย่าไปสนใจเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมีอะไรปรากฏขึ้นมาปล่อยผ่านไปให้อยู่กับลมต่อไปอยู่กับพุโทโธต่อไป คุณแพตครับทำอย่างไรจะไม่เครียดรู้สึกกดดันและทุกข์ใจเมื่อต้องรีบทำงานให้เสร็จตามเวลาทั้งที่รู้ว่าไม่ควรมีความอยากให้งานเสร็จแต่ทำไม่ค่อยได้ครับก็หาเวลาให้มันมีเวลามากสิอยากอยากเวลามีเวลามากม่วงงานเราจะต้องทำมันต้องใช้เวลามากเราก็เอาเวลาที่เราว่างมาทำก่อนไม่ใช่มารอให้ใกล้ๆถึงเวลาจะจ ะ, จะหมดเวลาแล้วค่อยมาทามันก็มันเครียดตรงนี้ เมื่เราดูโมงเราต้องใช้เวลามากแต่การทํางานเรยก็ต้องหาเวลามาให้มันมันก็จะไม่เครียดแต่บางทีเราชอบทะเลยทไลน์ชอบไปทํานู่นทำนี่ก่อนไปิเปิดดูมือถือไปชัดกับเพื่อนอะไรพอถึงเวลาจะเลบสง่งส่งงานมันก็เครียดสิเพราะเวลามันเหลือน้อยขึ้นมาเราต้องจับเวหารเวลาพูดง่ายๆเราเขจะไม่เครียดใช่ไหมคุณหมอใช่ครับอาจารย์ นีีเปิดมือถือจะติ๊กต็อกนี่ดูได้เป็นชั่วโมงมันไปเรื่อยเืยมันเรืทาําครับผมคุณสมพรครับถ้ามีผัดสะโผดทัพพระรูปเสียงกินรสมาผัดสะกับตัวเราอย่างนี้คือโยมต้องโทษตัวเองกับสิ่งที่ผัดสะแล้วคิดปรุงแต่งตเตลิดอย่างนี้โยมต้องควบคุมตัวเองไม่ไปโทษฝ่ายตรงกันข้ามคิดอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับดีสุดคือตัดทุกอย่างออกไปจากใจที่ทําให้เราทุกข์ครับ คือยังไงเราอยู่ในโลกนี้เราต้องสัมผัสกับรูปสียง ก, กินรสแตะสิ่งที่เราต้องคอยคุมคือการปฏิกิริยาเราต่อรูปสิ่งกินรอย่าให้เราไปมี ป, ปฏิกิริยาด้วยความโลภความโกรธด้วยความหลงกับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้คือพยายามฝึกอุเบกขาให้มากๆให้รับรู้เฉยๆนั่นเองก็จะไม่มีปัญหาอะไรทีม่มีปัญหาเพราะว่าเราเรายังความโลภความโกรธไม่ได้เวลามีผัจสั ม, มาสัมผัสกับเรา พอใครพูดไม่ดีก็โกรธขึ้นมาทันทีควาที่เราไม่ควรจะโกรธเราควรจะเฉยเฉยนู่เฉยเฉว่าเขาพูดไม่ดีเ <Yeah. S 1> วลาเขาชมก็ไม่ควรจะไปดีใจอันนี้ก็เป็นปนการเป็นความโลภเป็นความยินดีต้องเฉยเฉยแล้วจะไม่มีปัญหาอะไร คุณปุ้ยครับช่วงนี้ต้องคิดแบบมีความคาดหวังมากกว่าปกติปุ้ยเลยลองใช้วิธีหลอกตัวเองว่าถ้ามันจะได้มันก็ได้เองไม่ต้องไปเสียเวลาคิดพอคิดได้มันก็เบาใจครับก็ อ, อ, อย่างที่บอกพระเจ้าสอนให้ยินดีตามมีตามเกิดะถ้ามันจะได้ก็ได้ถ้ามันไม่ดได้ก็ไม่ดได้แต่ก็ยินดีทั้งสองอย่างได้ก็ยินดีไม่ได้ก็ยินดียังไก็ไม่มีปัญหาเลยปัญหาคือเราส่วนใหญ่ยินเรามันมีแต่ความอยากได้อย่างเดียว ทำไม่ได้เราจะเสียใจมันก็เลยมันก็เสียใจถ้าเราไม่ได้ต้องยินดีตามมีทำเกินได้ก็ได้ไปยินดีไม่ได้ก็ยินดี ค, คุณมีนาครับพอดีจะมีงานเลี้ยงเพื่อนเก่าๆมีคนลงชื่อกันไปเยอะมากแต่ส่วนตัวกลับรู้สึกไม่อยากไปทั้งที่ตอนนี้ก็อยู่แต่กับบ้านดูแลคุณแม่แทบไม่เจอใครเลยไม่แน่ใจว่าเราผิดปกติหรือเปล่าคะ ไปเคยพยายามเข้าสังคมไหมคะเพราะรู้สึกตัวเองเริ่มห่างจากคนรอบข้างขึ้นเรื่อยๆบางครั้งก็ว่าสบายใจดีแต่บางครั้งก็สงสัยว่าทําไมเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวต่อไปจะยิ่งไม่มีสังคมครับขอคําแนะนําครับก็เรากำลังเข้าเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งโลกของความสงบโลกของความสงบนี่ไม่องงนอกญาตสังคมหรือใครความสงบนี่ก็เป็นความสุขซึ่งมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเข้าสังคม พรบางทีเข้าสังคมแล้วแทนที่จะได้ความสุขกับจะได้ความทุกข์กลับมาก็ได้เข้าไปแล้ว ไ, ได้ยินได้ฟังคําพูดที่ไม่ถูกใจเราว่าอาจจะทําให้เราไม่สบายใจกลับบ้านก็ได้ดงนั้นอย่าไปดีกว่าถ้าเราใช้ความสุขเป็นตัววัดตัวตวัดการกระทําของเราแล้วการหาความสุขแบบไม่มีสังคมจะดีกว่ากับการหาความสุขจากการเข้าสังคมเพราะการเข้าสังคมที่มันเสี่ยงต่อเจียวกับความทุกข์เยอะแยะเลย แต่ให้การอยู่คนเดียวนี่มันจะไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่นอกจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเข้าสังคมนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเข้าสังคมแล้วเราก็อยู่คนเดียวได้อย่างสบายมีความสุขย่างไงเราต้องดูเาเอาความสุขใจของเรามันตัววัดดีกว่าจะ่าไปวัดว่าเราเหมือนเขาหรือไม่เหมือนเขาเพราะว่าวิธีการหาความสุขของเรามันต่างจากเขาแล้วแหละถ้าเรามีความสุขจากการไม่เข้าสังคมนี่ก็เป็นวิธีหาความสุขในรูปแบบ ซึ่งมันต่างจากจากต่างจากการหาความสุขจากการเข้าสังคมอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราก็มาหาความสุขในรูปแบบที่ไม่ต้องการเข้าสังคมมันก็ต้องแปลกเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดก็ดคือพระพุทธเจ้าท่นาทนก็ออกจากสังคมไปท่านอยู่ในวันท่านมีสังคมมีงานเลี้ยงแทบทุกคืนเลยท่านก็เห็นว่ามันมันน่าเบื่อมันไม่ได้ให้ความสุขที่ ท, ที่จีรังถาวร ท่านก็เลยไปหาความสุขจากการทําใจให้สงบตาอากการอยู่ตามลำพังพแล้วท่วานก็พบกับความสุขที่แท้จริงท่านก็ไม่กลับไปเข้าสังคมอีกต่อไปท่านก็แปลกจากคนที่อยู่ในสังคมเพราะวิธีการหาความสุขมันต่างกันเสแล้วครับคุณวันเพนครับเมื่อเรามีความคิดอิจฉาผู้อื่นจนเกิดความโมโหกโกรธควรหยุดความคิดด้วยวิธีการใดได้ไดบ้างครับ ก็ให้คิดว่าคนเรามีความสามารถต่างกันความรู้ความสามารถต่างกันแต่ละคนนี้ไม่ไม่ได้เกิดมาเท่าเทีเทยมกันในเรื่องของความความสามารถความรู้ความสามารถต่างเพราะฉะนั้นคนนี้ก็มีความรู้ความสามารถมากกว่เาเเพราะว่าต้องทําอะไรที่ได้ได้ผลดีกว่าเราเป็นธรรมดาไม่ว่าจะอยู่ในในวงการไหนจะเป็นวงการกีฬาวงการ อะไรแต่ละคนเขาก็มีความสามารถของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันเราจะไปเอาวัดกับคนอื่นไม่ได้เราต้องวัดที่ตัวเราเองดูความรู้ความสามารถของเราแล้วก็ให้พอใจกับความรู้ความผลที่งเราได้รับจากความรู้ความสามารถแลก็ให้พอใจกับความรู้ความ้าเราไม่พอใ จ, อจความสามารถอยากใจะัดวร้ามามเราก็พอใจกับามามอเากพิ่จบความรู้ความสามารถของเราก็ให้พ า, า, ามามสามารถของเา้ก็้พอใจับความรู้ความสารถของเราแล้หามควสามารถขเรล้้พอความความอเราวอบา้คางที่ทราให้ับ มีกำลังหยุดความคิดได้นานขึ้นคะก็นี่แหละพุทโธเนี่ยก็พูดมาตลอเวลาพุทโธเริ่บางคับให้เราจดจ่อดูกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือถ้าเราไม่ชอบพุทโธเราจะท่องส่วนเอ็ทีปิโสไปก็ได้หรือส่วนพุทธธรรมสานังกระถามิก็ได้คือจะทําอะไรก็ได้ที่จะทําให้ใจเราไม่เดยคิดเรื่องนั้นเรืนี้ได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นคุณสิรินครับ ลูกหยุดความคิดด้วยการเปิดฟังธรรมะหรือไม่ก็ชอบไปปลูกต้นไม้ทํางานบ้าน ร, รู้สึกว่าไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะแบบนี้ก็ถือว่าหยุดความคิดได้ชั่วคราวไหมคะเพราะจะมีสติรู้สึกตรงจุดใดจุดหนึ่งที่ทําให้รู้สึกสบายค่ะพระอาจารย์แบบนี้ได้ไหมครับก็ก็ตามเป็นคนปฏิบัติแลรร้วก็ตรู้รู้ตัวไราเอางว่าเราหยุดความคิดได้ไหรือไม่มาถามเราได้ยังไงเพราะการกำมันก็มันก็เป็นการวิธีในการการทำที่ถูก เวลาเราทำงานอะไรแล้วก็คอยจดจ่อยอยู่ภาได้ของเราอยาปล่อยให้ใจไปคิดถึงก็ดี go, ถึงกนาคุนถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็มันก็เป็นการหยุดความคิดได้แต่ว่ามันจะหยุดได้อย่างอย่างมากหรือน้อยเพรางที่เรามันนั่งคิดกับเรื่องใดที่เราทําอยู่ก็ได้ต้นไม้แบบนี้ไม่ไม่สวยเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนเปลี่ น, นต้นไม้บาตรหรือยอยที่จากที่นีนี่ไปปลูกตรงนั้นดีไหมมันก็จะคุยกับอยู่ด้วยในใจอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ผู้เห็นความคิดของเราเอง ว่าเราตอนนี้เรายัางคิดอยู่หรือเปล่าเพราะถึงแม้ว่าเราทำในอาณาเขตที่เราพูดอยู่นี้มันก็ยังอาจจะแวบหลอกให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนีงน้นได้เลยที่เราไม่รู้สึกตัวคุณอมรศักดิ์ครับถ้าไปปฏิบัติธรรมมาแล้วมาส่งลายบอกเพื่อนว่าเอาบุญมาฝากอย่างนี้เพื่อนได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกนั่นก็เพื่อนไม่ต้องไปเราไปคนเดียวแล้วส่งลายไปกรุก๊ปในในกรุ๊ปมินิคนก็ส่งให้ทุกคนทุกคนได้บุญ การปฏิบัติทำบุญที่ได้าจากการปฏิบัตินี้เป็นของใครของมันเหมือนกันการรับประทานอาหารเนี่ยเราเป็นรับประทานอาหารที่ล้างาล้วถ่ายรูปส่งแฟนเพื่อนราะว่าวันนี้รับประทานอาหาร อ, อร่อยขอฝากความอิ่มอร่อยให้กับคุณด้วยยิ่งหิวเลยครับอาารคุณคุณแมนครับ หนูเป็นอิสลามแต่มีเหตุผลให้หนูสนใจการทำอาณาปานาสติทุกวันนี้จะฝึกจากแรกเริ่มแคช่ชั่วรัดนิ้วมือแล้วค่อยๆเพิ่มมากขึ้นขอกำลังใจจากพระอาจารย์ครับก็วความพยายามอยู่ที่ไหนครับสำเร็จอยู่เช่นนั้นต้องทำให้มากาขึ้นไปตามรำับยิ่งทำได้มากผลก็ยิ่งปรากฏมากขึ้นไปตามับครับอย่างอาณาปานาสตินี้เป็นสากลนะครับรอาจารย์ไม่ไม่ได้เป็นศาสนา คือมันก็อยู่ในศาสนาแต่คนอื่นเข้าไปเอาไปใช้แล้วก็อ้างว่าเป็นสากลและอาจจะเป็นสากลในในยุคสมัยพระพุทธ ก, การก็ได้ไม่ทราบทางนี้อาจจะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ได้เพราะการถูกสมาธิมันมีมาก่อนคที่มีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่สมาธนะิแต่ปัญญาตรัสรู้อนัปต์ตัสรูอริยสัจสี่ตรัสรู้ไตรับษอ น, นี้เป็นสิที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แต่ก่อนหน้านั้นการถึกสมาธินี่มีมาแต่นั่งเลยก็อาจารย์ต่างๆอาจารย์ที่พระเจ้าเป็ศึกษาท่านก็เข้าฌานกันได้ครับคุณกระท่อมไม้ครับถวายน้ําปานะไม่ให้ถวายน้ํำผลไม้ที่ลูกโตก ว, กว่ากําปั้นมือเช่นมะพร้าวขอสอบถามถึงเหตุผลครับและการถวายกาแฟที่เป็นกระป๋องแช่เย็นได้ไหมครับ อันนี้ต้องไปถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านกาหนดไว้ท่านคงจะอยากให้มีขอบมีเข่งไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้กินมากเกินง่ายเกินไปอะไเอาแค่เอาผลไม้ที่ขนาดปัด้นกำปั้นก็นแล้วกันไม่ให้ใหญ่กับขวานส่วนกาแฟนี่มันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นของที่มาทีหลังสมยัยทศทางคงจะไม่มีแล้วก็มาตีความหมายกับกาแฟว่ามันมันมันเป็นเป็นเครื่องดื่มไม่ใช่เป็นอาหาร ก็ก็สามารถนำมาดื่มได้แต่แช่เย็นไม่ใช่เย็นนี้ไม่เป็นประเด็นสําคัญแช่ก็ได้ไม่แช่ก็ได้แต่ถือว่าเป็นเครื่อง ด, อ ด, อดื่มว่าดื่มได้ไม่ใช่เอาหารแต่ถ้าเป็นน้ํานมนี่เถือท่านถ้าน้ํานมนี่ถือว่าเป็นอาหารดื่มไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมชัูเล้งนมอะไรก็ตามถือว่าเป็นอาหารหมด คุณประชาะครับเมื่อทําความดีหรือทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วถูกคนอื่นตาหนิหรือต่อว่าไม่พอใจจะรู้สึกไม่พอใจมากมีความแค้นมีความพยาบาทเกิดขึ้นควรแก้ไขทําใจอย่างไรจึงจะดีครับเวล า, าทำาะไรๆอย่าไปหวังผลจากจากผู้อื่นเราทําเพื่อความสุขใจในตัวเราเองว่าเราได้ทําความดีจนคนอื่นเขาจะเห็นดีด้วยไม่ด้วยนี้มันเรื่องของข่าวระห้ามเขาไม่ได้อย่าไปให้ความสํำคัญกับ ความคิดความอ่านหรือการพูดกับผู้เขาจะไม่เห็นดีกับเราก็ได้เพื่อเร า, า จ, จะไปทําขัดผลประโยชน์ของเขาเขาก็จะเขาก็จะเริ่มาดาเรใช่ไหมเช่นถ้าเกิดเขาขายของราคาแพงแล้วเรามาจากร้านที่ขายของราคาถูกกว่าแล้วก็บอกคนซื้อว่าอย่าไปซื้อร้านนี้เลยร้านนี้ของแพงไปซื้อร้านนื่นดีกว่าแล้วก็ทําความดีช่วยให้คนที่ซื้อของได้ซื้อของที่ราคาถูก แต่คนที่ขายของราครับแฟนเขาลูกเข้าก็ก็เขาก็ต้องบ่นเราเป็นธรรมดาเพราเสียผลประโยชน์ใช่ไหมเ <Yeah. S 1> นี่ยเราก็อย่าไปกังวลกับความคิดเขาพูดเขาเขาบางทีไม่เห็นดีเห็นงานกับเราก็ก็มีคนที่เห็นดีเห็นชอบกับเราก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไปสนใจเรื่องความเขาคิดเรื่องความคิดหรือเรื่องการของการพูดหรือการการะทำของผู้พูด เขาจะยินดีกับการทําความดีของเราหรือไม่อย่าไปสนใจตาแต่ถ้าเรารู้ว่าการกระทําของเราเป็นการกระทำที่ดีที่เป็นประโยชน์กับทูตแล้วก็พอใจใด้ตรงนั้นกับอมีผู้ถามวา่าถ้าถูกจริตกับการเจริญสติแนวทางการเคลื่อนไหวแตกต่างกับการสังเกตลมหายใจไหมครับแลาก็เดินชมพงก็การเคลื่อนไหวก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นนั้น เดินก็รู้กำลังเดินยืนก็รู้กำลังยืนแต่ให้อยู่กับมันอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นนะ ไ, ไม่ไมใช่ดูการเคลื่อนไหวแล้วก็เผ้อไปคิดถึงอดีหรือคิด ไ, ไปคิดถึงอน า, าคตอย่างนี้ก็ไม่ได้นต้องอยู่กับการเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียวคุณจุไรรัตครับการใสบ่บาตรทุกวันได้ผลบุญเท่าเทียมกับการปล่อยสัตว์หรือไม่ครับพระอาจารย์ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นการเสียสละ ประโย์สูงของเาเพาาื่อประโยชน์ของผู้มีคนตอบว่าเข้าใจหลายคนนะครับอาจารย์ที่บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องสติกับสมาธิด้วยนะครับอย่างคุณรับพินันบอกว่าหยุดแเข้าใจเรื่องหยุดความคิดมากตอนหลายเดือนมาแล้วเจ้าค่ะจากฟังเทศของพระอาจารย์ช่วงบ่ายสองทุกวันทั้งวิดีโอบนเข่าวและกุฏิข้างล่างปัจจุบันทุกๆวันซ้ําๆเรื่องหยุดความคิดไปบ่อยเลยเข้าใจเจ้าค่ะ คุณชาวินครับกรณีพ่อเสียชีวิตแล้วจะมาเอาชีวิตลูกเป็นไปได้ไหมครับถ้าเป็นไปได้มีวิธีแก้ไหมครับี๋ยอต้องทำยังไงครับเ อ, อแม่หลอกชีวิตใครชีวิตมันถ้าถึงเวลาที่ลูกจะต้องตายก็ต้องตายถ้ายังไม่ถึงเวลาจะตายมันก็ไม่ตายมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของพ่อของลูกว่าจะต้องไปได้วยกัน คุณปลาครับมีความขุนเคืองใจกับพี่ที่ทํางานขาทําให้เวลาไปทํางานมีความทุกข์มากควรวางใจอย่างไรดีคะก็เพราะว่าเราไปอยากอะไรกับเขาสักอย่างอยาให้เขาทาตามความตามแนวทางที่เราต้องการให้เขาทาพอเขาไม่ทำเราก็เกิดความทุกข์เกิดความปุจจขึ้นมาเราก็อย่าไปสนใจการกระทําของเขาสิเขาจะทําอย่างไรก็เรื่องของเขาเราให้สนใจกับการกระทําของเราก็พอ คือให้เราทําในสิ่งที่เราต้องทาแลวทำให้ถูกต้องส่วนก็เลยไม่จะททำหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปสนใจ ค, คุณพันธิตที่ถามเมื่อสักครู่ครับบอกว่าที่บอกว่าลูกพิการทำบุญไม่ได้พ่อแม่ทำแทนลูกได้บุญไหมครับไม่ได้หรอเพราะการทำบุญนี่ต้องทำนั่นเอง คุณพิไลวันถามว่าคนที่ปฏิบัติธรรมถ้าตอนอายุเยอะแล้วเกิดเป็นอัลไซเมอร์จะไปสู่พบภูมิที่ดีได้ไหมครับได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นอัลไซเมอร์ไม่เป็นอัลไซเมอร์ถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปเราก็จะไปสู่พบภูมิที่ดีได้ไปสู่สุขติได้คุณเรวัตครับตอนนั่งสมาธิมีตัวกระตุกหลายครั้งปรับแก้ไขชนไหนจะดีขึ้นครับ เราไม่ต้องปรับเลยปล่อยมันมันจะกระโดดก็ปล่อยไปกระโดดไปพิจารณาว่าเป็นปดา น, นัตตามันเรื่องที่เราไปควบคุมคมาคันไม่ได้ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญเวลาที่เรานั่งสมาธิก็ให้เราจอบจอยอยู่กับการดูลมได่อยู่อยู่กับทำบริกรรมรพูดโถกท่นนานนองสถานการณ์อย่างอื่นปรากฏขึ้นนาไม่ต้องไปสนใจคุณเข็มครับขออนุญาตเรียนถามอยากทราบว่าคําว่ารูปที่อยู่ในนามใช่นามกายและธรรมกายหรือไม่ครับ ไม่รู้กันเนอะคำว่ารูปที่เราเข้าใจก็คือร่างกายที่เราเรียกว่ารูปส่วนานมามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในใจรูปนี้เป็นเป็นร่างกายส่วนานมามที่อยู่ในใจนามที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่ในใจคุณชุติครับ ตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเมื่อเข้าใจแล้วละได้เป็นครั้งคราวเพราะมีร่างกายใช่ไหมครับมันไม่ใช่ละได้เพราะมีร่างกาย ไ, ไ, าาได้ไงอาจจะละได้ละด้วยปัญญาครับการเห็นว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าเราละละ เ, เราไม่ต้องการมีความทุกข์ใจเราก็ต้องละตันหาไม่ว่าจะเป็นภพาะตันหาหรือวิภพาะตันหาไม่ใช่เพราะมีร่างกาย การไม่เกี่ยวกับการระและไม่รันไม่เข้าใจความหมายนะครับคําถามว่ามหมายความว่าอย่างไรกันแน่คุณจอห์นส์ครับความคิดด้านไม่ดีและด้านดีเป็นสิ่งที่เราควรหยุดคิดไหมครับถ้าเราฝึกสมาธิเราสร้างต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบเราต้องหยุดหมดช่วงนี้นเราเป็นการพักร่างกายพักอันพั ก, ก จ, จิตใจ เหมือนกับเวลาที่นนเราเนอนหลับเนี่ยเราพักการทํางานไม่ว่าจะในงานดีและไม่ดีเราไม่ทํำนั่นใช่ไหมครับพอเราต้องการทัพผ่อนร่างกายจิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็ต้องการทัพผอนการพักผ่อน ข, น, ผนของจิตใจก็คือการหยุดความคิดทั้งดีและไม่ดีคุณโกโก้ครับการเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมต้องเห็นการสูญเสียติดตกันเลยเจ้าค่ะเป็นเพราะบททดสอบจิตใจของโยมใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ อาจจะเป็นว่าข้อสองเรามาเร็วกว่าคนหนึ่งก็ได้ข้อสองแต่ละคนนี้มันไม่มไมรู้เวลาของมันจะมาเมื่อไหร่บางคนก็มาเร็วบางคนก็มาช้าเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้จังครับคุณมานาทรีครับขอโอกาสถามว่าอุเบกขาควรนำไปใช้ตอนไหนถึงจะดีที่สุดเจ้าคะ่ะ ตอนที่เราทําอะไรไม่ไดเ้เราอยากจะช่วยเหลือเขาแล้วเราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เราก็ต้องทําใจเฉยๆไปว่ามันเป็นเรื่องบุญกรรมเขาไปเราพยายามทอย่าง ท, ที่แล้วแต่ไม่สามารถทําให้สําเร็จได้เราก็ต้องทําใจทําใจเฉยๆอย่าไปทุกข์อย่าไปเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรไปทุกข์ใจไปเสียใจก็เท่ากับมาทุกข์ทุกทําร้ายตัวเองได้เราต้องรู้จักอยู่อยู่ อย่ามาทำได้ตัวเราเองเวลาที่เราไม่สามารถช่วยพูดได้คุณสมภพครับการเจริญสติแบบเคลื่อนโดยไม่ได้เจริญสมถะภาวนารุ่มด้วยจะทําให้ก้าวหน้าช้ากว่าหรือไม่ครับไม่ทราบครัว่าคือเวลามีการเคลื่อนไหวก็ต้องมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวพอไม่มีการเคลื่อนไหวเราก็ต้องมาดูดลมหายใจเข้าออกเลวลาเานะั่งเฉย เลิกบริกรรมพุโทโธไปก็ต้องใช้ใช้สติทุทกทั้งขณะที่เคลื่อนไหวแล้วไม่เคลื่อนไหวอย่างนี้ทำให้ก้าวหน้าได้เร็วสติจําเป็นในทุกกรณีพุทธเจ้าบอกคุณเป๊ปครับเมื่อเกิดความคิดเราเพียงแต่สังเกตว่าเป็นเวทนานุปรศาสนาหรือจิตตานุปรศสนาเมื่อเราสังเกตพันความคิดการปรุงแต่งจะดดับไปเป็นวิธีการเจริญวิปัสสนาใช่ไหมครับ ไม่ใช่หรอก ม, มันดูเหมือนกันารพูดเพราะว่ามันมั น, เ ป, นเป็นเรื่องของเป็นความคิดปรุงแต่งมากกว่าไม่ใช่เป็นการแชร์จริงๆเป็นการนั่งดูความคิดแล้วก็ปรงแต่งไปกับการดูของเราท่านเองเพราะว่าการที่จะปฏิบัติเวทนาได้นี่เราจะต้องเจอทุกขเวทนาอย่างมุลาร์เชน่นการเจ็บปวดตามล่างกายต่างๆ นั่นเราเมองเวทนานี้ว่าเป็นอนันตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราต้องปล่อยวางปล่อยให้มันเจ็ดไปอย่าไปอยากให้มันหายเพราะการไปอยากให้มันหายมีการสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจที่เราไม่ต้องการถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ภายในใจเราต้องปล่อยวางทุกขเวทนาทางร่างกายปล่อยให้มันทุกขไปอย่าไปอยากให้มันหายอันนี้หลัถึงยะเรียกว่าวทนานุปัสนา แต่ว่านั่งสังเกตว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันม่มันเป็นการบูมแต่มากมาเป็นการจินตนาการไม่ใช่เป็นการปฏิบัติจริงๆทุกยังไม่เกิดเลยอาการเจ็บปวดของร่างกายยังไม่มีเราจะไปพิจารณาเวินารณ์อะไรคุณปาลิชาตครับตอนนี้เริ่มฝึกสมาธิได้มั่นคงขึ้นแล้วเลยศึกษาเรื่องขันห้าไปด้วยข่าความเข้าใจเกิดขึ้นเวลาที่ได้ฟังพระอาจารย์อธิบาย แต่ทำอย่างไรจึงจะแน่ใจว่าเราเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่ในทฤษฎีเจ้าคะก็ดูว่าใจเราทุกข์เราไม่ทุกข์นี่ถ้าเราไม่ทุกข์มันก็เป็นการปฏิบัติถ้าเราดับความทุกข์ต่างๆได้มันก็เป็นการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการทฤษฎีถ้ายังดับความทุกข์ไม่ได้มันก็ยังเป็นทฤษฎีคุณภรรยาครับเครียดเพราะโรคที่เป็นไม่หายต้องทําอย่างไรคะ ก็ต้องหยุดความอยากให้มันหายนี่ที่มันเครียดก็อยากให้โลกมันหายพอมันไม่หายก็เลยเครียดเวลาอยากก็อยากให้มันหายเราต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นหน้าตามันเป็นของที่เราบังคับไม่ได้จะเป็นก็เป็นมันจะหายก็ถ้ามันจะหายเองมันก็หายเองถ้ามันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปแล้วก็จะไม่เครียด คุณสุปตาครับวันนี้หนูลังเลว่าจะไปหาหมอเพื่อขอรับยาแก้ความกังวลที่จะต้องบินไปไกลๆแต่สุดท้ายหนูตัดสินใจว่าหนูมามาหาสติมาฝึกสติให้เข้มแข็งเพื่อหยุดความกังวลน่าจะดีกว่าการกินยาหนูคิดถูกใช่ไหมคะถูกครับถูกต้องนะยาที่เป็นสติเนี่เเป็นธรรมโอสถที่จะแก้ความเครียดได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นยาที่เราไปกินอย่างหมอเนี่ยมันเป็นกระสาทครับ คุณ WM ครับทุกวันนี้ระหว่างวันโยมได้ทําตามที่พระอาจารย์สอนคือว่างก็ภาวนาพุโทโธและดูลมหายใจเพื่อหยุดคิดและฝึกสติทุกวันทุกวันนี้บางช่วงที่ปวดศรีรษะจี๊ดจ๊ตุต๊กตก็ดึงสติภาวนาพุโทโธและดูลมทําแบบนี้ทําให้อาการหายไปและรู้สึกโล่องๆเบาๆอย่างนี้คือปฏิบัติถูกทางในการจะเดินสติแล้วหรือเปล่าเจ้าคะถูกทางแล้วลถ้าใจเราเบาขึ้นใจเราสบายขึ้นแสดงว่าเ ร, า, า, า, เร า, าถูกทาง คุณพัชรวัตรครับลูกตั้งใจรักษาสังขารเพื่อประโยชน์ของคนที่ต้องการเพราะลูกบริจา克 ร, ร่างกายไปนานแล้วไม่หวังอะไรนอกจากฝึกไม่ยึดติดกับสังขารครับคิดแบบนี้ถูกไหมครับรักษาสังขารแต่ไม่ติดจับมันก็ไม่ทราบว่าถ้าไม่ติดแล้วไปรักษามันทำไมก็มไม่รู้นะอันนี้ก็มันฟังแล้วมันรู้สึกมันขัดขัดฉัอยู่คือถ้ามไม่ติดก็ต้องปล่อยมันไปตามสภาพ คือถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันไปอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันการปฏิบัติกับสังขารก็ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เราไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่ทุกข์กับสังขารไม่ว่ามันจะเป็นยาตายแล้วเราไม่ทุกข์กับมันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่ใช้ได้ คุณวันทิศครับการที่แม่ไปวัดปฏิบัติธรรมกลับมาบ้านแล้วบอกว่าเอาบุญมาฝากเราก็กล่าวสาธุสาธุจะได้บุญด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้หรอกอเพียงแต่ว่าเราถ้าเราสาธุเหมือนคำว่าเราอนุมโมทนากับบุญดิ่มกับบุญที่แม่ไปทําแต่แม่อาบุญมาฝากก็ไม่ได้แต่เราสามารถได้บุญจากการที่เรากล่าวาคำว่าสาธุกอเรายินดีกับการไปทําแม่ แทนที่จะมาบอกว่าแม่ไม่ควรไปเลยแมาควรจะอยู่เป็นเพื่อนอยู่ที่บ้านมากกว่าอย่างนี้เป็นการไปไปขัดบุญของแม่แแมเราอย่าไปขัดบรรุญคนที่เขาทาบุญแล้วคนที่อจะสนับสนุนแสดงความชื่นชมยินดีแล้วเราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขไปกับด้วยซึ่งเป็นบุญเอกชนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นบุญที่เกิดจากการไปปฏิบัติธรรมมันจะเป็นบุญที่กิดจากการไปทำบุญแต่เป็นการเป็นบุญที่เกิดจากการที่เรามีความยินดีกับการทําบุญของผู้ การทำความดีพูดอันนี้เราเรียกว่าอนุโมธนาบุญครับคุณงามครับหลังเที่ยงถือศีลแปดดื่มกาแฟดำหรือชาได้ไหมคะได้กาแฟเนี้ยไม่ได้เป็นข้อห้ามดื่มได้ชาก็าได้รื่อั่งเลมคุณเออ่างครับระหว่างการทําบุญใหญ่กระถินพระป่ากับทําบุญตักบาดสม่ำเสมออันไหนได้บุญกว่ากันครับ อยู่ที่การเสียสละของเราว่าเราเสียมากหรือเสียน้อยอยู่ที่บารทรัพย์ที่เราเสียไปถ้าเราไปร่วมงานกระถิน่นแต่เราบริจาคแค่ร้อยบาทนี้แต่เราทําบุญทุกวันมาละ100รอ้อยนี่ปริมาณของเงินเงินที่เราเสียจากการทำบุญต่างบาทมันมากกว่ากับบุญที่เราไปบริจาค ก, กับบุญใหญ่คือกระถินหรือภาพา่าเนี่ยมันอยู่ที่จํานวนเงินพูด ง, ง่ายๆพูดตรงไปตรงมาเราจะหาว่าเรา น่าเลื่อนเรื่องเองนนะแต่มันมันก็เป็นเรื่องของความจริงการสูญเสียทรัพยากรของเราอะ่ะเอาเสียมากเราก็ได้บุญมากเสียน้อยเราก็ได้บุญน้อยครับคุณประชาครับถ้าตัวเรามีความคิดแต่เด็กว่าอยากเป็นฮีโร่แต่หลักธรรมจริงๆไม่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อกำจัดคนชั่วและช่วยเหลือคนดีใช่ไหมครับคือมันมีกฎแห่งกรรมที่เขาดูแลเรื่องราวเรา อ, นนอยู่แล้วเราไม่ต้องไปจัดการกับคนอื่นแล้ แต่า ก, การกระตัวเราคนเดียวก็พอตัวเราคอยห้ามตัวเราอย่าไปทําชั่วอพอทําแต่ความดีอันนี้หลักปฏิโลกทางศาสนาพุูด <Okay. S 1> คือเป็นป้าอานะค <Okay. S 1> <laughs> รับหลักปฏิรูปทางศาสนาพุูดให้ชนะตนเองอย่าไปชนะพู้พร <Okay. S 1> ะเจ้าบอกชนะพูดร้อยครั้งพันครั้งก็เิื่ชนะตนเองไม่ได้ครั้งเดียว <Okay. S 1> พอชนะตนเองครั้งเดียวใจสงบใจเย็นสบาย ไปชนะพูดก็เกิดไปสร้างความเกลียดแย่งหนาคาบพยาบามให้เกิดขึ้นกับผู้แล้ะก็จะสร้างความทุกขความกังวลให้กับเราเห็อย่าไปอย่าพยายามอย่าไปชนะพูดให้ชนะตัวเราชนะกิเลสขอเราชนะความโลภความโกรธความหลงให้ได้แล้วเราจะมีความสุขคุณชัยครับวันเกิดลูกแต่แม่เป็นคนซื้อของให้ไปใส่บาตด้วยกันลูกจะได้บุญไหมครับ ลูกยังไม่รู้เรื่องหรอรอเพียงแต่ทำไปเพื่อฝึกเขาให้รู้จักวิธีการเรื่องของการทําบุญนั่นเองเขาจะได้บุญต่อเมื่อเขารู้ว่าเป็นเงินของเขาแล้วก็มีความอยากจะทําบุญพอถึงจะได้บุญแต่ถ้าเป็นเงินของเราแล้วเราพาลูกไปตักบาปไปชื้เขาแล้วสอนให้ลูกตักบาปนี่เป็นการสอนก็าท่านเองสอนวิธีทําบุญแะก็ยังไม่เขายังไม่ได้บุญเขาได้เรียนรู้จักวิเรียนรู้วิธีทําบุญไว้เพื่อต่อไปเวลาเขาโตขึ้นก็จะได้ เวลาเขาอยากจะทําบุญขึ้นมากข า, ากจะได้ทําได้เพราะคนบางคนโตเป็นก็เลยโตเป็นควายแล้วแต่ยังไม่รู้จกักวิธีทําบุญทำยังไงเลยครับเพราะไม่มีใครสั่งมาอนมาก่อนนั่นแหละคือคุณเปเปอร์ครั บ, ร บ, รบเวลาที่ปฏิบัติจะได้ยินเสียงไกด์เกิดขึ้นในหัวเสียงนั้นก็เป็นความคิดใช่ไหมครับอาจารย์นั่นแหละมันก็เป็นความคิดเท่านั้น คุณอนัญญาครับถ้าเราหมดลมหายใจขนาดเจ็บปวดแต่จิตเราพยายามกําหนดถึงบุตโธ ท, ทั้งที่เราก็ยังเจ็บปวดแล้วเราจะไปพบภูมิใดคะถ้าจิตเราสงบเราก็จะไปสู่สุคติไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่ทราบแล้วแต่บุญที่เราทามามีมากน้อยเพียงไรถ้าเราเข้าฌานได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมเลยก็ได้แต่ถ้ายังไม่สงบถึงชั้นพรหมนี้ ถึงถึงขั้นเข้าฌานได้มัมนก็ยังไปเข้าสู่สวรรค์ชั้นรฐมไม่ได้มันก็อาจจะมันก็อาจจะเป็นเพียงแต่พยายามประทับประคองใจให้ไม่ไม่ให้ทุกข์แล้วก็รอรอดูว่าบุญกับบาป ท, ที่เราทําอะไรมันจะมีมากเหมากกันถ้าบุญมีมากกว่าบุญก็จะพาเราไปสู่สวรรค์ถ้าบาปมีมากกว่ามันก็จะพาเราไปสู่อาบายมันไม่ได้อยู่ที่ในขณะที่เราตายว่าเราตายสงบหรือไม่สงบ มันอยู่ที่ว่า เ, าเวลาราบูญบาปของเราอะไรมันมีมากกว่าการที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะไปสู่สุขคติหรือไปสู่ทุกขคติคุณปริญญาครับเพื่อนเป็นเจ้าของบริษัททุกๆ2ถึงสามวันจะบันดาลโทรศ์ ก, กับพนักงานทําให้บรรยากาศทํางานเสียขวัญกำลังใจของพนักงานลดลงละออกกันมากไม่วีใดที่จะดับโทรศัพทของเพื่อนให้ลดลงครับ ก็โทรศัพท์ของคุณเองคุณทาให้มันลดน้อยลดลงได้หรือเปล่านะ <Okay. S 1> ถ้าลดได้คุณก็ไปบอกเขาในวิธีที่คุณลดทรศัพคุณทํำยังไงถ้าคุณยังไม่รู้จักวิธีลดทรศัพของคุณต้องคุณจะไปบอกเขาให้เขาลดทรศัเข้าได้อย่างไรถ้าโยถามเราเราก็บอกไนดะ้ว่าให้ลดความอยากลงความอยากความต้องการลงถ้ามีความอยากความต้องการน้อยความโกรธก็จะมีน้อย ท่าก็มีความยินดีถ้าเขามีสันโดษได้ขเขามียินดีตามมีตามเกิดได้เขาก็าจะไม่โกรธเลยลูกน้องอยทํทำดีก็ได้ลูกน้องอยกขยันก็ได้ลูกน้องอยากขี้เกียจก็ไ ด, ออได้ไม่ว่ากันให้เามีให้ลูกน้อฮปปี้ก็โอเคอย่างนี้ก็จะไม่มีความโกรธเลยนัน <c oughs> อ, อยู่ที่ความอยากของเขาถ้าเขาอยากจะลดความโกรธเนาาต้องลดความอยากต่างๆให้มันน้อย คุณอัญรัตน์ครับการเริ่มฝึกปฏิบัติจําเป็นต้องให้ครูบาอาจารย์รับเป็นศิษย์ก่อนหรือไม่คะก็เหมือนเราไปเราเร า, เราอยากจะไปเรียนวิชาตับกับข้าวเนี่ยเราก็ต้องไปหาอาจารย์สอนเราก่อนใช่ไหมถ้าอาจารย์เขารับสอนเ ร, เ, รเรา ก, เรา ก, เราก็เราก็จะเรียนจากเขาได้ถ้าเขาบอกเขาไม่ว่างเราก็เราก็เขาก็จะสอนเราไม่ได้ใช่การจะเรียนอะไรก็ต้องมีครูครูรับเราเป็นลูกศิษย์ก่อน คุณชัยวัตครับการให้อภัยจะต้องใช้ทมข้อไหนครับก็ใช้ความเมตตาคําคว่ามเมตตานี่ก็คือการให้อภัยไม่ถือโทษกดเคื่อนคุณธนพัฒนครับคุณแม่ชอบไปทำบุญแล้วกลับมาจะบอกลูกๆให้อนุโมทนาบุญกับคุณแม่แต่มักจะพูดในเชิงบังคับให้คนอื่นอนุโมทนาพอรู้สึกว่าถูกบังคับก็เลยทาให้ศรัทธาลดลง ไม่สามารถอนุโมทานาด้วยใจที่เห็นด้วยได้ควรทําอย่างไรครับ <c oughs> เราก็ต้องมองดูประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับสิว่าเอคุณแม่กําลังสร้างบุญเพื่อเวลาคุณแม่ตายไปคุณแม่จะได้ไปสวรรค์ถ้าเราเข้าใจหลักนี้เราก็จะอาจจะยินดีแล้วก็อนุโมทานาได้แม้ว่าคุณแม่จะบังคับเราหรือไม่ก็ไม่ต้องบัคับก็ได้เพราะถ้าเรารู้ว่าการกระทําของคุณแม่นี่เป็นการเหมือนกับเป็นการทําวีซ่าทำพาสปอร์ตเรื่องของ ตีตัวจองตีตัวเครื่องบินเวลาคุณแม่ตายคุณแม่ก็จะได้ขึ้นเครื่องไปสวรรค์ได้เลยถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องเราก็ต้องดีใจใช่ไหมว่าแม่ตายไปแม่ไปไปสู่สุคติแน่นอนท <Okay. S 1> านี้เราก็จะมีความยินดีทุกครั้งที่แม่ไปไปทำบุญกลับมาโดยที่ไม่ต้องถูกบังคับให้อนุมโมทนาเราจะเรียกว่านุมโมทนาทันทีเลยไว้หน้าแม่ ก, ก็พูดทันทีแม่อนุมโมทนาการทำบุญของแม่ แต่ที่เราไม่ที่เราไม่ไม่ไม่ศรัทธารือเพราะเราไม่รู้ว่าแม่แจะได้ไราจากการไปทำบุญแม่นี่ขอให้เข้าใจว่าเป็นการไปตีตัวไปทำวีซ่าเดรียมตัวออกเดินทางถึงเวลาเมื่อถึงเวลาจะต้องออกเดินทางต้องอพยพจากประเทศไทยไปสู่ประเทศอื่นจะได้ขึ้นเครื่องไปได้เลยถ้าเราไม่จองตัวไม่ก่อนไม่ ไม่เตรียมวีซ่าไม่เตรียมกัินทองไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาไปมันไปไม่ได้ครับคุณจุฬาครับญาติๆทะเลาะเบาแหว่งกันบ่อยควรทําอย่างไรครับไม่สบายใจครับที่ไม่สบายใจเพราะเราไม่อยากให้เขาทะเลาะกันแต่เราก็ต้องมองความจริงว่าเราห้ามก่อนได้หรือเปล่าเราสอนให้เขาไม่ทะเลาะกันได้หรือเปล่าถ้าสอนได้ห้ามได้ก็ทาไปถ้าสอนไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็ต้องทำใจ ยอมราบว่าม เ, เป็นธรรมดาของค่าวเป็นธรรมชาติของข่าวคุณเป๊ปครับคําว่าอย่าส่งจิตออกนอกหมายถึงการเอาจิตไปจดจ่อภายนอกกายหรือครับแล้วการกําหนดกสินที่ต้องเอาจิตไปจับที่สีต่างๆเป็นอารมณ์ไม่ใช่การส่งจิตออกนอกหรือครับการส่งจิตออกนอกคือการคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคนเรื่องคนนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกถ้าต้องการให้ ให้จตเข้ากายภายในต้องให้จิตอยู่กับกรรมฐานเช่นอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกสิณเรื่อ ง, างาการดึงจิตเข้าข้างในไม่ได้ส่จิตออกนอกเพราะอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่จะที่จะดึงใจให้เข้าข้างในคุณนักกริครับทําบุญผ้าป่ากรถินหลายพันหลายหมื่นแล้วนําใบอนุโมทนาไปลดหย่อนภาษีจะได้บุญหรือไม่ครับ ก็จะได้ล่นหยอดเนี่ยยศรดหยอดบุญด้วยเพราะได้เงินคื่งสมมติคุณทางานเลยทาบุญเหมือน่แล้วคุณไปร่นหย่อนภาษีได้คืนพันหนึ่งก็ถ้าวอาคุณทาบุญิจรงแค่เก้านเท่านี้มันก็ได้บุญแค่เก้าันไม่ได้บุญครบหนึ่งเลยถ้าคุณอยากได้เันบุญครบหนึ่งเหมือนก็ไม่ทำไปรดหย่อดภาษีถ้าร่อน่อมแล้วถ้าร่อดยอนแล้วก็ต้องเอาเงินที่ไปไปทาไปไปทาอีกครั้งหนึ่งมันจะได้ครบเหมือน เดี uhm, Eugene, ๋นี <laughs> <laughs> ้ผมเลยไม่เคยลดหย่อนเลยครับอาจารย์ทาบุญเต็มเต็มเลทำบุญไปเต็มเต็มคุณนิรุตครับถ้าจะขอสมัครเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ต้องทําอย่างไรครับก็ทําตามคําสอนเท่านั้นไม่ต้องมาขอเป็นทางการถือว่าถ้าสอนแล้วทำตามก็ถือเป็นลูกศิษย์ได้ทันทีเลยอัตโนมัติ คน adorable ครับบางครั้งความคิดชั่วชอบคิดขึ้นมาทําให้ขัดใจอยู่บ่อยๆ บ, บาปก็กลัวบังคับความคิดชั่วไม่ได้เลยต้องฝึกอย่างไรหรือใช้หลักธรรมข้อไหนครับก็ฝึกสติไงพยายามฝพุโทโธพุโทโธไว้ก่อนก่อนที่เราจะคิดความชั่วพอถ้าเรามีมีความเคยชินกับการใช้คําว่าพุโทโธพุโทโธพอเวลาคิดเรื่องไม่ดีเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดได้เล คุณไอวอรี่ครับเรียนถามผู้อาจารย์ค่ะการอยู่กับปัจจุบันเราสามารถคิดวางแผนอนาคตแต่ไม่ไปกังวลกับสิ่งนั้นใช่ไหมคะคือการอยู่กับปัจจุบันนี่เราหมายถึงสําหรับผู้ที่ปฏิบัติเต็มร้อยที่ไม่ต้องกังวลกับอนาคตหรือปัจจุบันหรืออดีตเนี่ยเป็นต้องการที่ทําให้จิตนิ่งให้ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องคิดในขณะที่เราตั้งจิตอยู่ปัจจุบันเราก็คิดได้ เป็นอาจจเต้อว่าว่าเดี๋ยวถึงเวลาต้องไปทําธุระ ท, ที่นั่ที่นี่เรวก็คิดได้แต่ไม่ได้คิดแบบผําเมื่อคิดง่ายรู้ว่าเราต้องทําอะไรท่านเองพอคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดพอถึงเวลาเราก็ไปทํำตามที่เราต้องทำเท่านนเองแต่ส่วนใหญ่เก้าสิเก้าเปอร์เซนให้อยู่กับปัจจุบันแต่เมื่อมีความจาเป็นจะต้องคิดถึงอดีตบ้างอนมาคตบ้างก็คิดได้คิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จำเป็นค คุณวราครับทําบุญแล้วไม่รู้สึกดีใจหรืออิ่มใจรู้สึกเฉยเฉแต่ก็ยังทําอยู่เป็นประจําแบบนี้เป็นการทําที่ไม่ถูกหรือไม่คะมันจะทําน้อยไปก็ได้ลองทำเยอะๆหน่อยเลยเหมือนกินข้าวกินทํากินกินคำสองคามันก็ไม่อิ่มนะเราต้องกินไปเรื่อยๆจนกับมันจะอิ่ก็ลองเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆสิถ้าทําขนาดนี้มันยังรู้สึกเฉยเฉยเราเพิ่มสักเท่าตัวหนูแล้วจะรู้สึกอย่าง ถ้ายังไม่อิบก็เพ่มไปอีกเท่าตัวดูึ่งเพิ่มไปไเรื่ยๆเวรับประกันได้เดี๋ยวต้องรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอย่างแน่นอนเวลาจะทํากบุญในชนิดที่ไม่ถูกใจเราก็ได้อันนี้ก็ไม่สว่วนเวลาจะต้องเ ป, <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเป้าของการทําบุญของเราถ้าเราทําบุญบางอย่างที่ทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจแล้วก็ไปทําแบบนั้นแทนบางคนมีความสุขใจกับการเล่นสุนัขจรจัดนี่ก็เป็นเรื่องสุนัขจรจัด เพราะเวลาใส่บาตรแล้วไม่รู้สึกอิ่ใจเพรรู้สึกว่าภาพมีข้าวกินเยอะแล้วเกินเนี่ยอาหารเหลือเฟือแล้วเกินมันทำไปแล้วท่านจะกินของเราหรือเปล่าหรือไม่มันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกไม่อิ่มใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไปทํากับคนที่เขาหิวโหยไม่มีข้าวกินเลยเนี้ยแล้วเราเห็นพอเราเขาได้ข้าวแล้วเขากรบยกมือไหวเราอย่างช่วงทนแล้วก็กินอาหารอย่างมีความสุขนี่มันอาจจะทํให้เขาให้เรามีความรู้สึกแบบมีความมิควมออุใจขึ้นมา เพรบุญที่เราทำนี้เกิดประโยชน์จริงๆอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกทำบุญด้วยเหมือนกันอาจจะต้องไปทำบุญที่เราเห็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการเสียสละของเราว่าทำไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์กับคนที่เราไปทำด้วยมันไม่จะทําให้เรามีความรู้สึกอิ่มอกใจขึ้นมาได้ครับอาจารย์ครับเมื่อหลายปีก่อนเมื่อหลายปีก่อนผมก็ไปทำบุญกับอาจารย์ที่บนศาลาครับที่ผมเรียนอาจารย์บอกผมทำบุญกับพระ องอื่นแล้วผมไม่ไม่ได้รู้สึกอิ่มใจเท่าทกับทําบุญกับอาจารย์นะครับอาจารย์นน อ, อันนี้ก็า จ, จะต้องต้องต้องต้องเปลี่ยนองค์กรแล้วเปลี่ยนพจที่เราไปทำบุญด้วยก็ได้เพราะแต่ละคนมันมีความชอบไม่เหมือนกันบามืม้ออาหารเนี่ยอาหารที่เราไปกินเนี่ยมันบางทีเราก็ชอบกินอาหารชนิดนี้ไม่ชอบกินอาหารชนิดนั้นให้กินอาหารที่เราไม่ชอบมันก็ไม่รู้สึกอ ร, อร่อยถึงแม้ว่าจะหลุดท้องแต่มันไม่อร่อยไม่มีความสุข คุณสุพจน์ครับคิดถึงทานศีลสมาธิที่เราเคยบําเพ็ญมาแล้วเกิดปิติอยากทราบว่าปิติเพียงพอที่จะเอามาต่อยอดขึ้นเป็นวิปัสนาได้ไหมครับก็ลองทอําดูสิก็ลองไปต่อยอดดอูในก็ได้คุณธนาพัทครับเวลาเกิดความเจ็บปวดทางกายอย่างหนักความเจ็บปวดจะรุนแรงจนไม่สามารถตั้งสติหรือกําหนดจิตให้ปล่อยวางได้แล้วเกิดทุกขเวทนามากจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรได้บ้างครับ ก็ลองฝึกตอนนี่มันยังไม่เกิดอาการหนักพยายามฝึกทำซ้ำกับอาการเจ็บปวดที่ไม่รูแนแรงก่อนนั่งสมาธิไปแล้วเวลาเจ็บก็อย่าเพิ่มขยับเท้าอย่าไปเปลี่ยนมันใช้จรน์สติใช้จรน์ปัญญาสู้มันไปต่อไปเราก็จะสามารถเพิ่มกำลังในการที่จะต่อสู้กับอาการเจ็บปวดเพิ่ ม, มได้มากขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำจากน้อยไปหามากรวบรวมตัวไว้ก่อน ถ้ามาทําตอนที่มันเกิดขึ้นมาทันทีทันใดนี่มันอาจจะสู้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ซ้อบมาก่อนอาจารย์ครับมีหลายคอมเมนต์บอกว่าจะจะปฏิบัติตามคําสอนของอาจารย์นะครับจะเป็นลูกศิษย์นะครับนุโมทนาการเข้ามาฟังแล้วนําไปปฏิบัตินี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์นะเพราะเราก็ทำหน้าที่ของเราล้วก็ทำหน้าที่สอนใ่ไหครับ หน้าที่ของนุสิตก็ ศ, กศึกษาแล้วก็นานมา ป, ปฏิบัติทั้งนั้นเองคุณลีครับกาเปียนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิจิตทิ้งกายไม่รู้สึกถึงร่างกายเห็นสภาะวะภายในมีความกระเพื่อมสั่นไหวไหวไม่เห็นลมหายใจค่ะไม่ทราบ ว, ว่าปฏิบัติถูกต้องไหมคะถ้ายังกระเพื่อมสั่นยังไม่ยังไม่สงบยังต้องทําต่อไปต้องบริการมพุโทโธพ้โทโธไป หรือดูลงหายใจต่อไปถ้าไม่เห็นลงหายใจก็อาจจะก็อาจจะต้องใช้คําบริกรรมพูดโทแทนเพราะว่าถ้าใจยังกระเพื่อมอยู่นี่มันยังไม่ถึงมันยังไม่สงบต้องใช้คําบริกรรมให้มันสงบคุณปิยะครับกลไกการหยุดความคิดกับอุเบกขาต่อเนื่องสัมพันธ์กันไหมคะและอย่างไรครับสำคัญก็มันต่อเนื่องกันไงถ้าหยุดครับคิดได้อุเบกขาแก็เกิดขึ้นตมาม ไม่ไรอยู่ความคิดจิตก็สงบพอจิตสงบนี่หูแมกขาก็เกิดขึ้นมาตามลำันคุณดับยูเอมครับการทําบุญชาระนี่สงครอบคลุมอะไรบ้างเจ้าคะ่ะก็ น, น, นี่ที่ทางวัดเป็นนี่ด้วยค่ะาไฟค่าน้ําค่าอะไรต่าง น, นี่นี่สงนะนะถ้าทางวัดมีการก่อสร้างไปไปจ้างช่างเข้ามาทําการก่อสร้างก็อันนี้ก็เป็นนี่สงขึ้นมา อะไรก็ตามที่เป็นค่าใช้ใจ่ายของทางวัดนี่ถือว่าเป็นหนี้สงบูรณ์คุณถาครั บ, รบเวลาขับรถหรือตอนว่างๆหนูจะชอบท่องคาถาชินบัญชรและคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าท่องวนๆไปออกมาดังๆแบบไม่ได้พนมมือบาปไหมครับไม่บาปเหรอตอนนี้มีแต่คอมเมนต์รายงานนะครับหมดคำถามครับตั้งแต่รู้จักเพจ หมอและทําให้รู้จักเพจพระอาจารย์ทุกวันนี้ฟังธรรมพระอาจารย์นั่งสมาธิทุกวันขอบคุณคุณหมอและขอบคุณกาพระอาจารย์นะครับมีแต่คนมาบอกว่าทําหน้าที่เป็นลูกศิษย์เต็ไมไปหมดเลยครับอาจารย์ครับยินดียินดีด้วยทางแนวทา ง, งการปฏิบัตินี่มันถ้าไม่ได้ไปอยู่กับสำนักครูบาอาจารย์ด้วยโดยตรงนี้มันจะไม่ต้องไปขออนุญาตจากท่านมาประกอบเป็นลูกศิษย์ แต่ถ้าต้างไปอยู่ที่สำํำนักของท่านก็ต้องอยู่ที่ท่านเ่อท่านจะรับให้เราอยู่ด้วยกับท่านหรือไม่อนันนี้นก็ต้องร อ, อให้ท่านเป็นผู้ตัดสินอีกทีและการไม่รับเรานี่ก็ไม่สามารเขาว่าท่านไม่รับเราเป็นลูกศิษย์บางทีอาจจะมีเป็นภาะวะสถานที่ไม่พอเพียงก็ได้ภาพบางรูปไปขออยู่กับหลวงตาท่านหลงตาท่านก็ไม่รับเพราะมันที่มันเต็มอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ได้ถือเป็นลูกศิษย์ก็ยังเป็นลูกศิษย์ได้ยังศึกษากับสอนของท่านศึกษาธารมของท่านได้ แล้วเขาปฏิบัติตามคําสอนของท่านได้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านเองท่านได้เหมือนกันนมัไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องต้องมีการขอเป็นทางการโดยตรงถ้าเราศึกษาคําสอนแล้วเราปฏิบัติตามคําสอนแล้วเราก็ถือว่าเราเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์รูปนั้นถ้าเราอ่านาหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าประสูตรต่างๆแล้วเราปฏิบัติตามประศุทธเราก็ถือว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้เลยโดยตรงเลย ไม่ต้องมีพิธีกรรมมามาเอาดอกไมาทุบเทียนมาข อ, อกัรนอะไรทั้น้่อั น, นี้มันพฤติกรรมมากกว่าพิธีกรรครับวันนี้ไม่มีคำถามเลยครับอาจารย์มีแต่บอกว่าจะปฏิบัติตาม พ, พระอาจารย์และเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับวันนี้ก็การโยมเวลาพอดีแค่สี่นาทีนั่นเองเอ า, อเอ า, าใครดนก่อนก็ได้แล้วแต่คุณโย อ๋อมีคําถามเข้ามาอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับวัดที่สร้างสถาปัตยกรรมมากๆกลายเป็นแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยวถือเป็นการสร้างกิเลสให้กับผู้คนหรือไม่ครับอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นวัดที่เพื่อจะให้คนไปดับกิเลสดับทุกข์จะส่งเสริมกิเลสหรือไม่นีก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าอาจจะมีส่วนทำให้เขามีศรัทธายังมีศรัทธาในศาสนาอยู่ได้ก็ข้าแต่อาจจะไม่ได้ตรงเป้าเท่านี้น เราที่งท้ายเรืของศาสนาก็คืเพื่อสอนให้เขาได้ดับความทุกข์คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณเป๊ปครับอุเบกขาคืออัตถุกรรมสุขะเวทนาใช่ไหมครับไม่ใช่ขออนุญาตอุเบกขานี้ใจไม่ไม่รัดชังกลัวลงส่วนอัุกรรมาสุขะเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเป็นความรู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไม่สุขมัน มันมันมันดับกางกางดับไม่หิวไม่หยิบอย่างเงี้ยเรียกว่าจะหิวก็ไม่เชิงจะหยิบก็ไม่เชิงอเี้เรียกว่าเป็นเวท น, นาขาั้นกาไม่ใช่อุบเบกขาครับคุณสุภาพรณบอกอาทิตย์น่าจะไปกราบพาจางที่วัดนะครับคุณอนัญญาบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทนความเจ็บปวดขณะนั่งสมาธิเพื่อให้ได้เพื่อฝึกเตรียมตัวตายใช่ไหมคะใช่ฝึกเตรียมตัวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ที่ทมานี้เป็นมลเร็งกันเยอะอยเตรียมตัวรับกับโรคมะเร็งหรือกับการที่เราจะต้องไปผ่าตัดหรือไปอะไรตาร่างๆมันจะต้องเจอกับเจาา็บปวดขอกาสคับอาจารย์วันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ใน f a c e b o o ก567คนใน y o ย t u b e 569คนในคลับเ้าส์18คนวันนี้มีคนฟังธรรมพร้อมกันอยู่ 1,154 คนครับวันนี้น้อยหน่อยนะน้อยป ก็เป <illar> <Un> ็นธรรมดาเป็นน้กเล่นจันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเป็นนนนาตาเราไม่สั่งไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์กับมันก็ยินดีตามมีตามเกิดก็โอเคก็คิดมาพอสมกวรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำวสิ่งิที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตจารณาไปปฏิบัติขอความสุขความเจริญก้าวหน้าเนี่ยทยิ่งยิ่ขึ้นไปเทอรสาธุก็ขอลา คุณหมอแล้วท่านผู้ชมผู้ฝังไปเพียงท่านี้ถ้าไม่มีรายขาดข้องก็พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอเจอริญพ ร, รขอบคุณาารครับ